และขอต้อนรับทุกท่านจากหลักสูตรสาหลักแห่งแผ่นดินซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติเราหัวข้อที่จะได้พูดคุยกับท่านทั้งหลายก็เกี่ยวข้องกับหนึ่งในเสาหลักนั้นก็คือสถาบันศาสนาโดยหัวข้อก็คือสถาบันศาสนากับความ มั่นคงของชาติเมื่อปีที่แล้วฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีหรือหนึ่งศตวรรษของการประกาศใช้ธงชาติไทยธงไตรรงค์ซึ่งมีสามสีด้วยกันสีขาวก็เป็น เรื่องของสถาบันาศาสนาแล้วก็จะมีสีแดงคือชาติสีน้ำเงินคือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไม้สามขาที่พิงกันทำให้เกิดความมั่นคงของชาติสีขาวหมายถึงาศาสนาอะไร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า, าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกผู้ทรงประกาศใช้ธงไตรรงได้สงพระราชนิพนธ์อ ธ, ธิบายไว้ว่าขอพร่ำรำพันบรรยายความคิดเคลื่อนหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธ์สีสว่าง หมายพระไตรรัตนธรรมะคุ้มจิตไทยสีขาวโดยหลักก็คือพระตัณไตรก็คือพระพุทธศาสนาและยังรวมถึงธรรมะแห่งศาสนาอื่นที่คุ้มครองจิตใจของคนไทยแดงคือโลหิตเราซส์ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนา น้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาท้พโปรดเป็นของส่วนองค์จากประยวเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีทงเครื่องหมายแห่งเราชาวไทยทหารอวาตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามธงไตรรงเป็นเพียงบทสรุปของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ที่หล่อหลอม ร, อรวมกันเป็นความมั่นคงของชาติมาตั้งแตุ่่มสุขโขทยัยไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นรูปประรมในสมัยรัยกาลที่หกแปเพียงแต่เรามีสัญลักษณ์ขึ้นมาก็คือธงไตรรงจะเห็นว่าทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตกระชูเกียรติสยาม เวลาปกป้องประเทศชาติก็คือปกป้องทั้งสามสถาบันทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จากการลุกรานของต่างด้าวต่างแดนดังนั้นจึงไม่แปลกที่พระพุทธศาสนาที่ว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นศูนย์รวมของคนไทยและก็เป็น หน่วหนึ่งในการช่วยเป็นเหตุเป็นผลในการสร้างความมั่นคงของชาติหมายพระไตรรัตน์เนี่ยและก็เป็นเหตุเป็นผลที่เวลาทําสงครามเพื่อรักษาดินแดนเนี่ยก็เพื่อจะพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาสถาบานันศาสนาเป็นเหตุให้จะต้องมีความมั่นค ง, งของชาติดังที่ พระราชินิทานของรัชกาลที่หนึ่งอยู่ในนิราชท่าดินแดงตอนที่ไปทำสงครามสงครามก้าทัพกับพม่าตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีการป้องกันขอบขันทษีมาก็เพื่อที่จะ ปัดเป่าภายัยภายนอกไม่ที่มาทำลายความมั่นคงของชาติเพื่ออุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเพื่อรักษาประชาชนและมนตรีมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลของการสร้างความมั่นคงของชาติไม่ให้กระทบจากภัยภายนอกทีนี้เมื่อในยามสงบพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นแต่เพียงเหตุผลทำให้ต้องมีชาติไทย มีเป็นที่ปุปถะมบำรุงพุทธศาสนาเท่านั้นแต่พระพุทธศาสนายังสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติโดยการเชื่อมนะไอ้ความมั่นคงอันนี้คือเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกี่ยวรัฐเกี่ยวผูกพันกันประสานกันก็ทำให้เกิดความมั่นคง ความมั่นคงที่ว่านั้นก็คือสถาบันศาสนาเนี่ยได้ให้คำนิยามความหมายแห่งกษัตริย์ที่ผึนประสงค์ในยกสมุรนาสยาสิทธิราชเนี่ยไม่ใช่ว่ากษัตริย์เมียองน่าจะปกครองได้ตามอาเภอใจจะต้องอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมโดยมีคำพีพระธรรมศาสตร์เป็นเหมือนกับเป็นกรอบของวัดปฏิบัติ การปกครองบ้านเมืองของพระราชาคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั้นมีรากฐานมาจากอินเดียเราเรียกในอินเดียเรียกว่ามณูธรรมศาสตร์มาถึงพม่ามอนเนี่ยเราเรียกว่าพระธรรมศาสตร์โดยในมณูธรรมศาสตร์ของอินเดียเอาธรรมะของศาสนายินดูมาเป็นวันธรรมคือธรรมประจําวันณะที่กษัตริย์จะต้องปฏิบัติแต่พอมาในมอนพม่าหงสาวดีเนี่ย มกรทโเลยนะได้ปรับเอาธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นหลักที่กษัตริย์จะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมราชาประมวลกฎหมายที่กษัตริย์จะต้องปฏิบัติตามนั้นในอดีตเรียกว่าพระธรรมศาสตร์เป็นฉบับของมอรที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็ต่อมาแปลเป็นภาษาพม่า ในส่วนของสุขโขทยัยอยุธยา ก, ก็แปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยเป็นพระธรรมศาสตร์ของไทยแล้วเรามาแปลเออเรามาชำระแล้วพิมพ์เป็นกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัชกาลที่1นึ่งฉะนั้นถ้าอยากจะศึกษาเรื่องว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ยท่านปกครองกันอย่างไรเนี่ยโดยอาศัย คำพีพระธรรมศาสตร์เนี่ยปัจจุบันเรียกว่ากฎหมายตร า, าสามดวงโดยโกลม ม, มื่นพิทยาราพิทยากรเนี่ยนักปราชญ์ของไทยท่านได้ปาจากถาเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าบรบอว่าฉบับภาษาไทยทํไามาไม่พ บ, พบฉบับภาษาอังกฤษท่านได้กล่าวว่า การปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุขโขทัยเนี่ยได้กลายมาเป็นระบบที่เป็นทางการโดยอาศัยธรรมนูญการปกครองเรียกว่า constitution เนี่ยในสมัยสมุทรนา ย, ยาสิทธิราชตั้งแต่สุขโขทัยมาถึงรัตนโกสินทร์ด้วยอาศัยคำพีพระธรรมศาสตร์ มีทั้งฉบับภาษาบาลีแล้วก็ฉบับภาษามอญภาษาพม่าภาษาไทยซึ่งเรารับมาจากมอญแล้วก็ต่อมาก็แปลเป็นภาษาบาลีไอ้ไม่ใช่แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเป็นกฎหมายตราสามดวงอย่างที่เราว่ามาฉะนั้นพระมหากษัตริย์แต่อดีตเนี่ยปกครองโดยอาศัยธรรมนูญการปกครองไม่ได้ทำอะไรโดยอำเภอใจและหลักในการปกครองบ้านเมือง น, นั้น ก็ใช้มาจนถึงราชการที่สี่ที่ห้าเรียกว่าคำพีพระธรรมศาสตร์หลักใหญ่ใจความของคำภีพระธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือข้อความต่อไปนี้นี่คือเอามาจากคำพีพระธรรมศาสตร์ที่ว่าพระมหาสมุติราชคือพระเจ้าแผ่นดินที่อเนกชน อ, อเนกชนนิกรสมสรสมุิขึ้นมาเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในราชธรรมสิบประการก็คือทศพิธราชธรรม ทรงเบญจามิตรกศีลเป็นปกติคือรักษาศีลหเป็นปกติแล้วในวันอุโบสถต้องรักษาอัศดานขี้กศีลคือศีลแปมีเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งปวงและทรงพระอุษาหามานุษยกาซึ่งทำทีพระธรรมศาสตร์เป็นนิจการทรงประพฤติธรรม4ประการและอยู่ในราชกิจประเพณีไม่ได้ขาดอันนี้คือกรอบที่เป็นแนวปฏิบัติของพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วกรอบหรือจรรยาบัตรนั้นมาจากไหนมาจากพระพุทธศาสนาซึ่งจะพบอยู่ทั้งในพมา่าในมอญในไทยในลาวเราเรียกว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ในคมพีพระธรรมศาสตร์ได้ระบุว่าพระผู้ปกครองเนี่ยต้องอยู่ในราชธรรมสิบประการซึ่งหมายความว่าพระราชาของไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าพระองค์ ทรงทศพิธัิจธรรมซึ่งล้อทศบารมีบารมีสิบทัศน์ของพระโพธิสัตว์แต่ข้อความหัวข้อก็คล้ายๆกันทานอะไรต่างศีลเนี่ยต่างกันบางข้อเท่านั้นเองในบารมีสิบทัศนของพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นทัติของไทยจังถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วทรงเป็นธรร ม, มิกราชผู้ทรงธรรม ปกครองโดยทศพิตราชธรรมซึ่งในสมัยรัชกาลที่9้าเนี่ยเราก็จะเอามาพูดกันบ่อยก็คือทศพิตรราชธรรมโรลองค์เป็นธรรมราชาฉะนั้นพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์เอื้อกันก็ตรงที่ทําให้การปกครองนั้นเป็นการปกครองโดยธรรมพระราชานั้นชื่อว่าคำว่าราชาในภาษาบาลีท่านจะเห็นนะ มาลาดมามีราดศักว่าราชาแปลว่าสร้างความพึงพอใจท่านนิยามความหมายเป็นภาษาบาลีว่าธรรมเณนะประเรรันเชติติตราชาแปลว่าชื่อว่าราชาเพราะเป็นผู้ทําให้คนอื่นพึงพอใจธรรมเมนะโดยธรรมอันนี้เป็นที่มาของคำว่าราชาต้องเป็นธรรมราชาถ้าปกครองโดยธรรม ประชาชนพึงพอใจพระสมนิกรผาสุขประเทศชาติเกิดความมั่นคงเพราะฉะนั้นพระศาสนาหล่อหลอมสร้างรากฐานแห่งการปกครองที่เป็นธรรมมาแต่อดีตเป็นขนบประเพณีและประมวลอยู่ในกฎหมายตาสามดวงก็คือพระธรรมศาสตร์นั่นเอง ทศพิธายาธรรมท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ทานนางสีลังปริจาคังอาจฉวังมัถวังตะปังทานก็คือการให้เสียความประพฤติ ด, ดีของผู้ปกครองบริจาคศียสลักซื่อตรงอ่อนโยทานังสีลังปริจาคังอาจฉวังมัถวังตะปังตะปันก็คือความเพียรเครื่องเผาบาวอกโกทังอวิหิงสันจักขันตินจักอวิโรธนางก็จะมีสิบ ข, ข้อซึ่งเราก็ คุ้นกันแล้วนะฮะตั้งแต่ความเพียรเผาบาปไม่ไม่โกรธคือเมตตาไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสากดทนและไม่คาดจักรธรรมมาจะไม่ลงรายละเอียดเหล่านี้เพียงแต่ให้เห็นว่ า, าการที่จะต้องมีทศพิราจะธรรมนั้นมีบัญญัติไว้ในคำพีพระธรรมศาสตร์ด้วยแต่คำสอนมาจากพุทธศาสนาก็คื อ, อทศพิราจะธรรมนั่นเอง ดังนั้นพระประถมบรมราชองการราชกรรที่9นะเมื่อวันที่หพฤษภาคมสองพันี่ยเจนจงไม่แปลกที่มีคำว่าโดยธรรมอยู่ด้วยนั่นคือธรรมราชาเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็คือการที่สถาบันศาสนาได้หล่อหลอม ลักษณะแห่งธรรมราชาให้สังคมอยู่กันอย่างปกติสุขเขาเรียกว่าเป็นคุณอุปการที่พระศาสนาได้เอื้อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะเดียวกันสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลความมั่นคงของชาติในในแต่ก่อนเนี่ยนะก็จะต้องนึกถึงว่าศาสนานำไปสู่ความมั่นคงของชาติอย่างไร national security เนี่ย สถาบันศาสนาเอื้อต่อความมั่นคงของชาติในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสานาในฐานะสร้างความมั่นคงของชาติแต่ในปัจจุบันเนี่ยในยุคที่ภัยคุกคามจากต่างประเทศสงครามระหว่างประเทศมันลดลงเนี่ยมันก็เกิดสหประชาชาติก็คิดคาขึ้นมาอีกคํานึงซึ่งเป็นฐานของความมั่นคงของชาติ แต่เรียกว่าความมั่นคงของมนุษย์ human security ฉะนั้นทุกวันนี้มิติของความมั่นคงของชาติเนี่ยมันจะต้องมีฐานอีกฐานหนึ่งรองรับเรียกว่าความมั่นคงของมนุษย์และมันเกี่ยวพันยอย่างไรและสัมพันธ์กับพระศาสนาสถาบันศาสนาอย่างไรเดี๋ยวจะขอขยายไปแต่ขอพูดเรื่องความมั่นคงของชาติในอดีตก่อนนะแล้วจะกลับมาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงของชาติในอดีตเนี่ยในสมัยรัชกาลที่9ก็แล้วกันที่ว่าจะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อสถาบันาศาสนานะนั่นก็คือเราเรียกกันว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ดังที่นิตยสารไทยขึ้นปกเนะี่ยอันนี้จะมายังเก็บรักษาอยู่เล่มนี้ถ่ายให้ท่านทั้งหลายได้ดู เขาภาดหัวที่ขีดตรงนี้ท่านมองไม่เห็นนะเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาก็คืออโมนาคี Fight for Freedom แล้วก็ลงพระฉายารักหรือพระบรมสารีรักษ์ของรัชการที่เก้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถในรัชกาลที่9ตีพิมพ์ในปีพศ .2509 คำว่าอมโมนาคี Fight for Freedom ก็คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสู้เพื่อเสรีภาพไทมได้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีบทความนำนะหัวชื่อชื่อบทความว่า Holder of the Kingdom Strength of the Land นะก็คือ h o ลด e r ก็คือศูนย์รวมใชม่ผู้รวมศูนย์รวมของอาณาจักรราชอ ราดพันธจากก็คือศูนย์รวมใจที่เรามักจะแปลว่าศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ strength of the land ก็คือภูมิพลังอดิตอันนี้ก็คือพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นศูนย์รวมแห่งพลังที่สร้างความมั่นคงของชาติอันนี้เป็นชื่อบทความหลักในเล่มนี้แล้วประเด็นที่จะมาสนใจก็คือข้อความนี้นะเขาเขียนเยอะรายละเอียดเลยนะ แต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับที่จะพูดวันนี้ก็คือที่ไทม์ได้เขียนไว้ในปี2509เนี่ยบอกว่า The Thai sense of nationhood is part l y the result of never having felt the trauma of colonial conquest เนี่ยแปลว่าความรักชาติของคนไทยเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องเป็นเมืองขึ้นของใครยิ่งไปกว่านั้นความรักชาติยังอิงอาศัยพระบรารมีของพระมหากษัตริย์ ก็คือคา a ิสมาออฟเดอะท�บนี่ะพระบารมีของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระพุทธศาสนาที่แพร่หลายอยู่ทั่วประเทศเรียนฟ r ร์สไบเด e ร์นี้เดอ e ์นี้เช่นพุทธศิวิบุริสมในหน้า28นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าข้อความนี้เนี่ยในมุมมองของต่างชาติในสมัยนั้นก็มองว่าชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ต่อสู้เพื่อและก็ยืนหยัดเพื่อความมั่นคงของชาติสิ่งที่จะมาลุกลานความมั่นคงของชาติตอนนั้นก็คือภัยจากเรียกว่าปองโจนคอมมิวนิสต์ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นโดยเฉพาะประธานาธิบดีไอเซนฮาวเนี่ยก็ตั้งทฤษฎีโดมิโนขึ้นมาโดมิโนซีรี ถ้าประเทศหนึ่งล้มเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศข้างเคียงก็จะล้มตามตามตามตามตั้งแต่ประเทศจีนนะฮะมาเกาหลีเหนือมาเวียดนามเหนือเวียดนามใต้มาลาวมากัมพูชาถ้าไทยล้มมาเลเซียก็จะล้มอินโดจีนพม่าอินเดียสิงคโปร์ไปหมดเลยเนี่ยที่เขาบอกว่านเนี่ยพังพม่าไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เขาถือว่าความมั่นคงนะในมุมมองที่เราเข้าใจานั้นก็คือต้องไม่ล้มถ้าจะเห็นว่าเราเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่โดมิโนโมันจะล้มต่อไปเนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงนี้และทาไมจึงอยู่ได้นะความมั่นคงก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสานาก็คือชาติของเราด้ว ย, ยปกป้องชาติไทยเนี่ยจับมาเรียบกผนึ ก, กลังกัน ในสถาบันศาสนาในสมัยนั้นเนี่ยเราไม่ต้อนรับคอมมิวนิสต์นะเพราะอะไรเพราะว่าคานมาร์สเองเนี่ยได้ประกาศในหนังสือของเขาเนี่ยซึ่งเป็นที่รู้กันน่ะว่า religion is opiate ที่เรามาแปลว่าศาสนาคือยาเสพติด religion is opiate ก็คือเป็นฟินศาสนาคือยาเสพติดเพราะฉะนั้น เ, เมื่อประเทศล้มเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะ ในประเทศสังคมนิยมเนี่ยเราต้องรู้ว่าผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยศาสนาแม้จะมีอยู่ก็เป็นเพียงซโลเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองคือห้ามไม่ได้คนจะต้องรักษาศาสนาแม้ต่พุทธศาสนาในประเทศคอมมิวนิสต์สัวันเนี้ยอ่อนแอมากทำไมจึงอ่อนแอก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เข้มแข็งเนื่องจากว่ามันขัดกับลัทธิอุรมณการของสังคมนิยม ท่านจะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเมื่อเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ๆเนี่ยไม่มีการกวาดล้างพระนักปราชญ์ที่จะเทศที่จะสอนเนี่ยหมดเลยเหลือแต่ผู้ไม่มีความรู้รักษาศาสนามาปัจจุบันนี้เกิดสํานึกว่าศาสนาเป็นเรื่องสําคัญขึ้อนอะไรทั้งจีนทั้งประเทศคอมมิวนิสต์อื่นจึงฟืน้นศาสนาท่านหลายก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้วัดวาอารามในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกลับมาแล้ว แต่สิ่งที่ฟื้นไม่ได้ก็คือความรู้ความประพฤติของพระที่ถูกทำลายที่ขาดสูญไปเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจึงต้องมาพึ่งไทยไงท่านทำไมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยรับนักศึกษาจากลาวจากกรัรมพูชาจากเวียดนามเยอะมากเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นที่สูงก็เพื่อที่จะฟื้นฟูองความรู้ในทางศาสนาให้กลับมา และศาสนาตอนนี้ทางประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเริ่มเห็นแล้วยกตัวอย่างจีนกันแล้วกันนะฮะจีนเนี่ยแผ่นดินใหญ่เคยห้ามไม่ให้มีศาสนาแต่ปรากฏว่าพอคนร่ํารวยขึ้นมาเครียดมากต้องหันเข้าหาศาสนาและเมื่อไม่มีศาสนาที่เป็นทางการก็เลยไปหาลทัทธินอกกรีฑอย่างเช่นฟาหลุนกงจีนจึงเห็นว่าไม่สามารถจะกีดกันไม่ให้คนนับถือศาสนาได้จีนปัจจุบันเนี่ย จึงเปิดเลยเปิดเสรีเลยให้คนเนี่ยนับถือศาสนาแต่จีนบอกว่าต้องนับถือศาสนาที่อยู่กับจีนมาแต่เดิมนะไม่เอาศาสนาต่างประเทศนะจีนจึงสนับสนุนเตสาของจื้อและพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่กับจีนมาสอง0ันปีอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้มีการฟื้นฟูในประมาณ10ปีที่ผ่านมากันแล้วกันนะพระพุทธศาสนาอย่างมากในจีนในเวียดนาม ทางมหาวิทยาลัยซึ่งอจะมาเป็นประธานสภาวิสาขาบูชาโลกเนี่ยไปจัดวิสาขาบูชาโลกที่เวียดนามสองครั้งแล้วซึ่งแต่ก่อนทําไม่ได้แต่เดือนนี้รัฐบาลเวียดนามามาจัดให้เลยนะั้นในนามรัฐบาลปีนี้รัฐบาลเวียดนามทำหนังสือมาขออีกจะขอจัดปีหน้าอีกนะเพราะว่าเริ่มให้ความสําคัญแก่าศาสนาและก็เห็นว่ า, าศาสนานั้นเป็นเรื่องสําคัญอย่างไรต่อความมั่นคงต่อพัฒนาการของประเทศเพราะฉะนั้นไทย จึงเป็นปราการสุดท้ายในสมัยที่การที่9เลยน ะ, อ, ะอันที่จริงปราการสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศไทยอันนี้คือบทความของไทยเทียตมาอ้างถึงเนี่ยน ะ, ะก็คือ the vital core on which all Southeast Asia depends is in reality Thailand เพราะฉะนั้นอันที่จริงปราการสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศไทยตราบใดประเทศไทยยังคงอยู่ในค่ายของโลกเสรี ตราบนั้นเอเชียแต่มันออกเฉียงใต้ก็คงปลอดภัย The Land of the Free เนี่ยนะก็คือประเทศไทยเนี่ย As long as, so long as the land of the free ก็หมายถึงเขาหมายถึง Thailand เนี่ย Remain in the province of free nation, South East Asia is secure อันนี้เขาเขียนไว้ในปี2 5 0 9แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยส่งเป็นศูนย์รวมใจแล้วก็ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นปากเหี่ยวปากกาอันนี้ะมามองว่า ในเรื่องของความมั่นคงของชาติเนี่ยรัชการที่9้ายิ่งใหญ่ไม่แพ้รัชการที่5รารัชการที่5าเนี่ยทำให้ประเทศรอดพ้นปากเกี่ยวปากากาจากอาณานิคมรัชการที่9้าทำให้ประเทศไทยเป็นแรง d of ด h e f ฟร e เป็นประการด่านสุดท้ายก็โดยที่สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันาศาสนานี่แหละพึ่งพา ก, กันเพราะฉะนั้น โดยในนี้ความมั่นคง s e c u r i t ีที่จะมาพูดเนี่ยมันจึงมีสองเรื่องด้วยกันราชการที่9เนี่ยทรงสร้างความมั่นคงของชาติฐานความมั่นคงของมนุษย์นะพระองค์เป็นศูนย์รวมใจได้พระพระองค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์เป็นฐานเพราะว่าพระองค์ไม่ได้นำลบทับจับสึกไม่ได้แต่ทรงนำการพัฒนาและการของการพัฒนาของพระองค์เนี่ย มันสร้าง human security และ human security นั่นเองเป็นฐานของ national security ดังที่ปรากฏผลว่าเราเป็นประการด่านสุดท้ายแห่งโลกเสรีดังที่ไทม์แมกซ์ซีนได้กล่าวมาปัจจุบันนี้สหประชาชาติได้นิยามคำว่า human security อย่างชัดเจนแล้วนะฮะและจึงเกิดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยอันนี้เราเอาอย่างมาจากสหประชาชาติลนะที่ใส่คาว่า คิว a ม s e c เซค t y ิตี้เนี่ยนะคริวมตเซครูดิตี้เราสร้างตั้งขึ้นมา 2,545 ก็สิบกว่าปีนี่เองจะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละเป็นประการที่ทำให้เกิดความมั่นคงของชาติจนกระทั่งเราลอดพ้นปากเอี่ยวปากกาไม่ล่มสลายเนี่ยก็เพราะความมั่นคงของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อไม่มีภัยจากความมั่นคงที่ลุกรายกันด้วยอาวุธกําลังอาวุธ จากต่างชาติโดยตรงเหมือนสมัยก่อนเราก็มาให้ความสำคัญกับ human security ในสาธารณชาติก็ดีหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ตามแต่เรานึกถึง human security เนี่ยโดยไม่สัมพันธ์กับ national security มันแยกกันไงแต่จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่แยกกันไม่ได้เพราะว่าความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะที่สาธารณชาติได้กำหนดคำนี้ขึ้นมา ในปี2537เนแล้วเราก็มาเป็นกระทรวง Human Security ในปี2 4 5เนี่ยทางสารบียชาเนี่ยได้คิดคำนี้ขึ้นมา Human Security ในปี2 3 7โดยให้นิยามความหมายเป็นสองอย่างนะก็คือหนึ่งประเทศใดก็ตาม mm hmm. จะมีความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมันรวมไปถึงความมั่นคงของชาติเนี่ย ประเทศนั้นต้องอยู่อย่างปราศจากความกลัวภัยหวาดกลัวระแวงหรือ อ, อ, อะไรก็ตามที่ว่า freedom from fear อันนี้เป็นองค์ประกอบที่เราจะวัดว่าเรามี national security ไหมเรามี human security ไหมยกตัวอย่างนะถ้าหากว่าประเทศเรากลัวการลุก้านของประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านเรากลัวเราระแวง อย่างในสมัยหนึ่งเราคิดว่าเพื่อนบ้าน จ, จะลุกรามเราเนี่ยส่งรถถังเข้ามาเราจะต้องเอารถอะไรไปต้านยังไงตรงไหนอย่างไรเนี่ยเพราะว่าสตาลินเนี่ยเขาถือว่าถ้าส่งออกคอมมิวนิสต์โดยสงบเนี่ยมันมันส่งออกยากเขาต้องส่งด้วยสงครามมันจึงเกิดสงครามลุกลามในช่วงสงครามเย็นเนี่ยอย่างสงครามเกาหลีหรือมาเวียดนามเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่อย่างมีความหวาดกลัวต่อกันและกันในการลุกรามเขาเรียกว่า ความมั่นคงของชาติมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่มี freedom from fear เราอยู่ด้วยความหวาดระแวงความกลัวข้อ ท, ที่2เพิ่มเข้ามาจาก a, a national security ก็คือ freedom from one อยู่อย่างปราศจากความยากจนขาดแคลนนะนะเมื่อเราต้องการก็คือเราขาดแคลนฉะนั้นถ้าประเทศใดก็ตามสามารถสร้างสองอย่างนี้ได้ คือให้คนอยู่อย่างปราศ จ, จากความกลัวให้ปราศจากความยากจนประเทศนั้นมีความมั่นคงในชาติสัยเคอร์ตี้นะฮะเพราะมันจะเกิด ค, ความสามัคคีไงท่านถ้าเราอยู่อย่างไม่กลัวกันเองไม่กลัวคนในประเทศในกันไม่แบ่งโคกแบ่งฝ่ายแบ่งสีมันรวมถึงเชื้อชาติศาสนาด้วยศาสนานั้น ก, กดศาสนานี้ศาสนานี้กดศาสนานั้นเกิด ยกตัวอย่างอย่างในกรณีของโรฮิง ญ, ญานในประเทศพื้นบ้านเนี่ยมันก็ไปทําลายความมั่นคงของมนุษย์เป็นฟรีด็อกมันไม่ทําให้ขาดฟรีด็อกฟอร์มเฟีแล้วมันไม่มีเฮมอสเตคเรตี้ไม่ีความมั่นคงของมนุษย์มันกระทบความมั่นคงของชาติเพราะว่าเมื่อผีบ้านออกไปเนี่ยก็คือผีป่ามันเข้ามาความหมายก็คือถ้าคนในประเทศทะเลาะ ก, กันมันก็ทําให้การแทรกแซ ง, งจากต่างชาติมันเข้ามา ะฉะนั้นเขาจึงถามว่าระหว่างสองข้อนี่นะข้อไหนควรมาก่อน Freedom from Fear กับ Freedom from Want อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศทั่วโลกเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ว่าถ้าเราจะสร้าง n นช i ั่น l ลซีเค i t y ิตี้ขึ้นมาบนฐานของฮิเมนซีเคอร์ลิตี้เราจะเอาอะไรไปช่วยเขาก่อนสมมติสมสมประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยขาทะเลาะ ก, กัน เราจะส่งกองทัพไปรักนับเขาเรียกว่ากองทัพกองกำลังรักษาสันติภาพเมันก็ไปทำให้เกิดฟรี e ลนซ์องเฟียไม่อยู่ไม่อยู่อย่างไม่ต้องกลัวกันแต่คนมันยากจนอะ่ะพอถอนกำลังออกมาเดี๋ยวมันก็ทะเลาะ ก, กันอีกมันก็เกิดการขัดแย้งกันอีกเพราะฉะนั้นฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่าส่งไปเลยเราไปพัฒนาให้เขามีกินมีใช้ดีกว่า แล้วเมื่อเขามีกินมีใช้ไม่มีความยากจนคือข้อสองเขาจะรักษามักคีกันพูดโดยสองแบบเนี่ยเราจึงตั้งคำถามนะเอาสมมุติในภาคใต้นี่นะใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ ย, นะ ย, ยท่านจะเอาเรื่องไหนเข้าไปก่อนจะส่งกองกำลังเข้าไปรักษาให้ไม่ให้เกิดการทำร้ายกันในนามอะไรก็ตามนี่นะฝ่ายไหนฝ่ายไหนข้าฝ่ายไหนรายวันเนี่ย มันไปเอากำลังไปกดเพื่อให้เกิด freedom from fear อยู่อย่างปราศจากเวรภัยนะันก็คือความมั่นคงการแทรกแซงของประเทศเพื่อบ้างมันก็จะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราระงับความขัดแย้งได้แต่ถ้าเขายากจน่ะทิ่นของเขาไม่ได้รับการพัฒนาเทียบกับภาคเหนือภาคกลางเนี่ยมันมันเหลื่อมล้ำกันแล้วมันจะอยู่ทำไมในดินแดนนี้มันก็จะเรียกร้องไปถึงข้อที่สองคือให้การพัฒนา ฉะนั้นข่าวที่ออกมาเมื่อเมื่อวนันซื้อเมื่อวานเมื่อวันสื่อในเรื่องของเออเซาเทิ e ์นเซาเทิ e ์นตเนี่ยนะโปรเจกต์ uh, ตั้งน่าจะประมาณแสนล้านบาทก็คือ100หมื่นล้านเนะ uh, น่ในในตรงนั้นตั้งแต่ชุมพรไปจนถึงนครศรีธรรมราชนะอนะัน uh, นั้นเนะี่ยจะมามองว่าเป็นการก้าวที่ไปสู่ข้อที่2แต่ยังช้าไป ฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้าต่อให้ไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ให้เกิด freedom from want แต่จะทํำยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ในเชิงทฤษฎีมันต้องเป็นอย่างนี้ตามตามสโคปตามแนวของธรรมชาตินะแต่มาพูดตามตามแนวของทั่วโลกนะยุทธศาสตร์มันจะต้องเป็นอย่างนั้น s t r a t e g i c มันจะต้อเป็นอย่างนั้นแต่จะทำยังไงอีกเรื่องหนึง่งเพื่อให้คนเนี่ยมันได้การรับการพัฒนาทางเศรกิจเสมอกันมันก็จะเกิดความมั่นคงของมนุษย์ในข้อที่2 และให้เกิดให้หมายอาจจะนําไปสู่ข้อที่1ก็ได้หรือจะเอาข้อที่1นําไปสู่ข้อที่2ก็ได้อย่างประเทศจีนน่ะจีนแผน่นดินใหญ่เนี่ยเราก็รู้วิว่าเกิดเหตุการณ์จตุรัสเพียรันเหมือนที่เกือบทําให้ประเทศแตกเพราะฉะนั้นจีนเขาเริ่มจากข้อ1ก่อนท่านจะเห็นว่าจีนเนี่ยให้ประเทศเนี่ยสามขีดกันแต่ใช้กํำลังนะคุมประเทศจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วเสร็จแล้วตอนนี้จีนเป็นไงร่ํารวยนะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจร่ํารวยมากๆถ้าจีนทำแต่ข้อหนึ่งนะก็ไม่ทําให้เกิดความมัน่นคงแต่จีนทำข้อที่สองด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องมีทั้งสองข้อแล้วก็ไปพร้อมๆกัน ถ, ถ้าจะทําให้เกิดทีมเอฟซิคเรตี้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งสองข้อทั้งเรื่องของความสงบทั้งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกษิจให้คนอยู่ดีกินดีด โดยฐานความคิดนี้เนี่ยอาตมาจังถือว่าความมั่นคงของมนุษย์เป็นฐานรากฐานของความมั่นคงของชาติตามที่รัชากาลที่เก้าได้ทรงทำไว้ BBC ได้ไปสัมภาษณ์รัชากาลที่เก้านะออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเรามารู้ตอนเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาคลัไปแล้วนะึงได้ฟังเสียงเป็นภาษาอังกฤษของพระองค์เนี่ยหลายท่านอาจจะได้ฟังก็คือ ตอนที่พระองค์ลงไปสร้างความมั่นคงของมนุษย์พระองค์ไม่ได้ส่งกองทัพไปนะในการที่จะสร้างความมัน่นคงของชาติในตอนนั้นเพียงแต่สรงอะไรข้อสองฟรีโดมฟอร์มอนดูเขาเรียกยุทธศาสตร์ราช ก, การที่9นะพระองค์เอาการพัฒนานําหน้าเอาการพัฒนานําหน้าเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการพัฒนามาจนกระทั่งวาระที่เสด็จสวรรคตเนี่ยสี่พันหกโครงการ ทั้ง4ีพัโครงการเนี่ยเป็นตัว Freedom From One เป็นส่วนใหญ่ก็คือพัฒนาอาชีพพัฒนาอะไรต่างๆในดินแดนไหนก็ตามที่มันมเีเรียกว่าสีแดงเนี่ยพระองค์ก็จะเป็นแปลพระราชฐานไปสร้างาาพระราชฐานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลงไปสูก่การแล้วก็ลงไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒน า, าผู้สื่อข่าวบ b บซีได้สัมภาษณ์พระองค์ว่าคิดหรือว่าที่พระองค์มาพัฒนาอย่างนี้เนี่ยพระองค์จดชนะ ถามเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะผมจะชนะเหร อ, อในหลวงในการที่ก้าย้อนถาม winning against whom ชนะใครก่อนที่จะตอบเนี่ยถามว่าจะชนะเหรอเนี่ยมาทำอย่างเนี้ยมาเดินเหนื่อยยากลำบากเนี่ยแทนที่จะตอบว่าชนะหรือไม่ชนะเขาคงถามว่า winning against whom ชนะใครผู้สื่อขาวก็บอกชนะคอมมิวนิสต์ ในหลวงในการที่กล้าตอบว่าไงในภาษาอังกฤษน่ะงตอบว่าการไม่รู้นะจะชนะหรือไม่ส่งตอบไปอย่างนี้การที่ส่งพัฒนาเนี่ยเพื่อเอาชนะความหิวโหวย Winning Against h เก g e r ของประชาชนทรงพัฒนาเพื่อเอาชนะความหิวโหวยของประชาชน และเมื่อแก้ความหิวโหวยความอดอยากของประชาชนได้คนที่คุณเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็น่าจะพอใจนะในบทสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างนี้สแสดงว่าพระองค์เนี่ยทรงใช้ความมั่นคงของมนุษย์ในความหมายเสียงทําไมมันตกไปอทรงใช้ความหมายทรงใช้ความมั่นคงของรุ่นในข้อที่สองเนี่ยนำหน้าข้อที่หนึ่งแต่ต้องไปได้วยกัน แล้วแต่นะใครจะใช้อันไหนก่อนแต่ว่าต้องมีทั้งสองข้อเมื่อมีทั้งสองข้อนี่แสดงว่ายังไงความมั่นคงของมนุษย์ที่มาจากอยู่อย่างปราศจากความกลัวอยู่อย่างปราศจากความยากจนเนี่ยมันจะเป็นฐานแห่งความมั่นคงของชาติเมื่อเมื่อจะมาโปรงเนอย่างนี้ถ้าจะเห็นแล้วถามว่าพระพุทธศาสนาสถาบันศาสนาในะรวมทั้งศาสนาด้วยเนี่ยทําให้คนไทยอยู่อย่างปราศจากความหวาดกลัวไหม อยู่อย่างปราศจากความยากจนไหมมีส่วนไหมถ้ามีส่วนในการสร้างความาปราศจากวินภัยสร้างความมั่งคั่งความอยู่ดีกินดีให้กับคนไทยเนี่ยถือว่ามีส่วนในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์สถาบันศาสนากำลังสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันศาสนานั่นแหละเป็นฐานแห่งความมั่นคงของชาติ ผ่านความมั่นคงของมนุษย์อันนี้คือสิ่งที่เรามาให้ท่านมองต่ำนะทีนี้ความมั่นคงในสังคมเนี่ยนะสมเด็จ ก, กรมพยานดำรงราชานุภาพพระบิดาของปรติสตร์ได้วิเคราะห์เรื่องความมั่นคงของชาติในอดีตจนกระทั่งสมัยทีเ่เรียกว่าพระองค์ยังทรงประชนชีพอยู่นะสมัยรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยว่าประเทศไทยเราเนี่ย มีความมั่นคงของชาติมาจนถึงยุคของอพระองค์ท่านเนี่ยก็คื อ, อในสมัยรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยนะในสมัยรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยด้วยเหตุสามประการหนึ่งคนไทยรักษาความมั่นคงของชาติไว้ได้เนี่ยเพราะมีความรักอิสรภาพ อันนี้ใน Channel Security เลยแหละเราสร้างความมั่นคงของชาติได้เพราะว่าคนไทยมีลักษณะนิสัยคือรักอิสระภาพคำว่าไทยเนี่ยคือเป็นไทยเป็นอิสรภาพแล้วก็ f i ล e ปอิน e n พ e เนนข้อ2ปราศจากวิหิงสา Tolerance ข้อสคนไทยมีความฉลาดในการประสานประโยชน์ราสาจีนนี่คือของพระองค์ท่านนะไม่ใช่ะมาใส่เข้ามานะ พระองพูดภาษาไทยว่าความฉลาดในการประสานประโยชน์แล้วทรงใช้ภาษาอัิจจำกับว่า Power of Assimilation ท่านลองคิดถึง3คำเนี่ยว่าเป็นตัวที่สร้างความมั่นคงของชาติมาตั้งแต่สุขโขทยัยมาจนถึงอายุทยาลตัตนโคสินจนถึงสมัย ร, รยาชการที่7เนี่ยนะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแล้วกรมพยาญรนะโบ ร, ราณาิช า, าสรุปอย่างไร เอาดูข้นหนึ่งก่อนนะความรักอิสรภาพเนี่ยเป็นเหตุให้ไทยเนี่ยยันคงความเป็นชาติไทยอยู่ได้โดยยกตัวอย่างในทางประวัติศาสตร์พระองค์ยกตัวอย่างนะกรุงศรีอยุธยาเราเสียให้กับขมา่าแกบูเรนดอมเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งสองพศเนี่ยสองพหนึ่งรอยสิบสองเนี่ ย, 12, ออ เ, ย, 2, เ, ยเราไม่ได้เสียโดย ประเทศไทยเสียเอกราชเท่านั้นนะอายุธยายดีกว่าดินแดนที่เสียเอกราชให้กับบุเรงน้องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยมีมอนด้วยคือหงสาวดีมอนเนี่ยไปอิสระมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนะมัคกโทเนี่ยสร้างชาติขึ้นมาชาติพมา่าเนี่ยเขาตั้งก่อนเราสองร้อยปีนะถ้าคิดประวัติศาสตร์อะเราคิดเลขกลม ประเทศไทยตั้งสมัยสุขโขทัยก็สมมติว่าพศพันแ0ดร้อยจริงก็ก่กอนน้นสักยี่สิบปีพม่าตั้งอาณาจักรภูการของพม่านะเป็นเชื้อสายที่เบตพม่าเนี่ยภูการพันหกร้อยพศพันหร้อแสดงว่าก่อนที่เราจะมีสุขโขทัยเนี่ยพม่ามีแล้วพม่าเกิดในภูการ อณาจั ก, กรผู้การ ม, มหา อ, อนุรธาบางช่อพ6 0 0้แล้วในไฟายตะวันออกมาก็คืออาณาจักรอะไรของก็มีแล้วนะติดแล้วก็ตรงกลางเป็นอะไรอาณาจักรมอนทวารวดีนคปรปฐมไปมอตมะเนี่ยเป็นมอนเพราะฉะนั้นอาณาจักรใหญ่เนี่ยจะมีอยู่พมา่าคือผู้กางมอนมอตมะแล้วก็ อขอมนครวัดนครถงแล้วอยู่ๆก็มามีอาณาจักรสุขโขทัยที่สุขโขทัยขึ้นมาเนี่ยในในปีพ8 0 0ทีนี้สิ่งที่ผู้การได้ทำก็คือว่าได้ยกทัพมาตีมะตะมะยึดเป็นเมืองขึ้นเอามอนเป็นเมืองขึ้นในช่วงพ6 0 0เนี่ย200ปีเพราะเกิดสุขโขทัยขึ้นมามัค ก, กะโทนะ ได้มาอาศัยใบบุญของพระร่วมเจ้าแล้วก็กลับไปคู่เอกราชให้มอนมอนก็เลยตั้งอาณาจักรของสาวดีผู้การก็เล็กลงมีอาณาจักรมอนขึ้นมาโดยมัคตะโทมัคตะโทนั้นในในฝ่ายเราเรียกพระเจ้าฟ้าร่วงในในในมรในพม่ากขเรียกวีรรุ่เป็นผสมกษัตริย์ของมอน แล้วมอนก็ตั้งแต่สุขโขทยัยเนี่ยนะเขาก็เป็นอิสระจากผู้กามและจนกระทั่งเดืนสองหนึ่งหนึ่งสองโดยสองพันหนึ่งร้อโดยประมาณเนี่ยอยู่ๆก็เกิดราชวงศ์ตองอูผู้กามขึ้นมาพระเจ้าเตเบงชเวตี้และก็บุเรนองเนี่ยยึดครองหงสาวดีเอามอนไปนเป็นเมืองเป็นเมืองใต้อานาทของพม่าในช่วงนั้น แล้วก็ไปตีไทยใหญ่สำเร็จไทยใหญ่ก็ไปอิสระมานานก็ไปขึ้นกับบุเรงนองเสร็จแล้วก็มาปติกรุงศรีอยุธยากรงพยานดำรงราชานุภาพบอกว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมอนกับไทยใหญ่ไม่เคยสลัดแอกหลุดจากขาม่าเลยมีแต่อายุทยาเท่านั้นเนียประกาศอิสรภาพในสมัยพระนเรศวรเนี่ยทำไหม่ แล้วทาไมมอนพม่ า, มาจงจึงอยู่อย่างนั้นเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอื่นอ ย, อย่างอื่นสิ่งหนึ่งก็คือลักษณะนิสัยของคนไทยคือรักอิสรภาพอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะและก็มารวมมาถึงยุคแรกนานิค ม, ม น, นะแล้วก็มาถึงยุคคอมมิวนิสต์มันก็โยงมันมาเรื่อยอันที่สองท่านปราชจากวิหินษา ทำไมเราอยู่กันได้ทั้งๆทีทเ่เรียกว่าเราไม่เสียเมืองไม่อะไรทัทง้งๆสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่เขาเรียกท o ร์ r a n c e ตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญมากก็คือมีขันติธรรมสูงขันติธรรมที่ว่านี้เนี่ยก็คือเมื่อเราเอาชนะแล้วเราไม่ทำร้ายผู้แพ้เราเอาัยกัน เรายอมรับความแตกต่างโดยอยู่ร่วมกันกับผู้แพ้ได้แล้วก็แม้กระทั่งต่างชาติต่างศาสนามาพึ่งพระบรมโพธิสมภานเราใจกว้างมีขันติธรรมเพราะฉะนั้นในยุคพนรายที่ต่างชาติต่างศาสนาเข้ามามากมาเอ่อมาในยุคหลังๆอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อจีนเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ย เราได้มีขันติธรรมต่อต่อตางชาติเชื้อชาติศาสนาโดยข้อที่สองแล้วมาข้อที่สฉลาดในการประสานประโยชน์คนไทยไม่ใช่เยอะนะถ้าเทียบกับจีนกับอินเดียเรามีไม่กี่ล้าน6กสิบเจ็ดสิบล้านเพราะฉะนั้นความเก่งของคนเนี่ยมันไม่มากหรอกให้เลือกเนี่ยแต่ไทยเนี่ยฉลาดในการเอาคนเก่งของทั่วโลกมาใช้ ในเชิงปรติศาสตร์ทาไมเราถึงเอาเราปลดแอกจากพม่าได้คำตอบนะสิ่งหนึ่งที่บุเรงนองมีไทยใหญ่ไม่มีมอนไม่มีคือปืนใหญ่ปืนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่บุโรนองเอามาใช้ยิงขึ้นภูเขาของไทยใหญ่ปืนใหญ่ที่บุเรงนองไปเอามาจากโปรตุเกสคบโปรตุเกส เปิดทะเลอระวดีเนี่ยนะไม่นะอิลวดีเนี่ยออกทะเลได้เนี่ยบริณองทรงอำนาจมากอายุธยาต่างจากมอญต่างจากไทยใหญ่ตรงคบโปรตุเกสพระนเรสวนมีทหารอาสาแล้วก็เอาปืนใหญ่โปรตุเกสมาใช้เพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยประเทศไหนไม่ว่าจีนไม่ว่าโปรตุเกสไม่ว่าฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาให้ไประโยชน์เราได้เราเอามาหมด อันนี้เขาเรียก assimilation ฉะนั้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยทําไมสร้างได้งดงามก็เพราะว่าท่านไปถามคนกัมพูชาทําไมนครวัดนครทมเนี่ยสร้างได้ดีเหลือเกินแล้วทําไมตอนหลังพญาราเเวกไปสร้างเมืองไอที่เมืองละแวกทําไมมันไม่ได้ไม่ยิ่งใหญ่เท่านครวัดนครธมคนกัมพูชา ท, ทุกวันนี้บอกว่านครวัดคนครธมที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยพระอินทร์มาสร้างให้ ไปถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอินสร้างแต่ในทางในทางบริสัทคืออะไรช่างที่สร้างเนี่ยพยาพะั่วใครต่อใครเนี่ยเอามาสร้างตรงสือที่ยาหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการประสานประโยชน์เราไม่ทําร้ายช่างเหล่านั้นเราเอาคำหนบธรรมเนียนเรียกพระเจ้าแผ่นดินว่าสมเด็จอะไรต่างๆภารรษาสังเกตเนี่ยมาใช้ในวังวังไอภารรษาสังเกตเป็นของขมนนิญนะและขมิญแพ้เราเนะ แต่ในวังเนี่ยเรายังเอาภาษาสันสกฤตมาใช้อยู่ยังเอาพิธีของของพิธีพราหมณ์พิธีอะรย่เอามาใช้ในวังนี่ก็คือ assimilation สิ่งที่คนไทยในอดีตมีมีวิ่งสา ค, ค, คือไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายผู้แพ้กับดูแลผู้อ่อนด้อยเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาประโยชน์เอาเอาเรียนรู้จากผู้อื่นเนี่ย มันก็ทําให้ประเทศไทยนั้นได้คนเก่งมาอยู่ที่นี่ในสมัยราการที่ห้ตอนเราเริมตั้งกระทรวงเนี่ยก็ได้ฝลังมาเป็นที่ปรึกษาเยอะเลยอันนี้คือคือลักษณะของคนไทยถามว่าคนไทยจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าพระพุทธศาสนาสอนให้ใจแคบให้ปิดกั้นไม่ยอมรับต่างชาติต่างศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจะต้องนึกถึงขรูประการของพุทธศาสนาด้วย ที่สร้างลักษณะนิสัยของคนไทยเนี่ยตรงนี้ที่ทำให้มีทอร์เรนซ์อยู่อย่างประศจากการเบียดเบียนกันอยู่อย่างการยอมรับความแตกต่างกันได้เนี่ยตรงนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสงบสุขเกิดความมั่นคงเราเรียกว่าสันติ ท่านี้สันติในที่พระพุทธศาสนาสอนให้คนไทยเนี่ยจะมีสองอย่างหนึ่งอัจฉติกะสันติแปลว่าสงบใจสงบภายในสองภัยระสันติหมายถึงความสงบในสังคมดูพระบาลีนี้กันล้วกันนัดทีสันติประรังสุขขังสุขอื่นที่กว่าความสงบไม่มีนิหมายถึงสงบใจไม่มีกิเลสบีบคั้นไม่มีความเครียดเครียดนัดทีสันติประรังสุขขัง อีกสุขหนึ่งคือสุขในสังคมที่เรามาใช้กันคือสุขาสังขารสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้คำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเาเรียกอยู่อย่างปราศจากความหวาดกลัวต่างชาติตาาานะ่างศาสนามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ได้รับขันติธรรมและคนไทยก็เห็นความสำคัญของ สามคีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคําสอนหลักในพุทธศาสนาเราเรียกโอวาทปาติโมกเนี่ยนะในวันเพ็ญเดือนสามพุทธเจา้าแสดงโอวาทปฏิโมกคำสอนที่เป็นประธานประโยคแรกคือคำว่าขันตีปรมันตโปตีติขาความอดทนคือความอดกั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาสอนให้อดทนอดกลั้นไม่เบียดเบียนกันไม่มีวิหิงสา อันนี้แหละมาจากคาว่าขันติธรรมและขันติธรรมเนี่ยองค์การสหไอองค์การยูเนสโกถือว่าเป็นธรรมะสำคัญสาหรับรองรับสันติภาพจนกระทั่งประกาศนะอูยูเนสโกประกาศเป็นปฏิญญายูเนสโก 2,138 เรียกว่า principles of tolerance นึกถึงคำว่า toleration ของกรมพยาธุ์ธมนะก็ะเดียวกันนั่นแหละ ยูน s สโกได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยความหลักการแห่งขันติธรรมในปี2 3 8ว่าระบบการศึกษาวัฒนธรรมมันจะต้องเป็นวัฒนธรรมแห่งขันติสันติภาพจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้ในประเทศไทยเราเนี่ยพระพุษธานาได้สอนหลักแห่งขันติธรรมมาพร้อมกับสร้างชาติเลยเนี่ยงที่กรมพญาดำรงได้สรุปมาันมาจึงเป็นทาให้คนไทยเนี่ย มีวิหิงสาก็อาวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนกันคำว่าหลักการแห่งขันติธรรมคืออะไรทอร์เรนซ์คืออะไรยูเนสโกให้คำนี้อย่างไว้คันติธรรมหมายถึงการเคารพและยอมรับนับถือวัฒนธรรมของโลกที่หลากหลายวิธีการแสดงออกและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปให้ยอมรับว่า เขามีวัฒนธรรมแตกต่างมีการแสดงออกที่แตกต่างสวดมนต์คนละอย่างแต่งตัวคนละแบบภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้อง respect เคารพความแตกต่างยอมรับ acceptance และก็ appreciation <S <S <veck hips> เ ข, ข้าใจเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงเขา appreciation ก็คือเข้าถึงรู้ว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้น <t> และก็ทราบซึ้ง ใน rich diversity of our world ขันเจก็คือโลกเรามีพหูวัฒนธรรมเราจะต้องมี t o l ์ r a n c e ต่อพหูวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมที่หลากหลายและสิ่งที่จะทำให้เราเคารพยอมรับนับถือความแตกต่างกันเนี่ยก็คือขันติธรรมและพระพุทธศาสนาถือว่าขันติตธรรมเป็นเรื่องสาคัญมาก และนี่ก็ตรงกับที่ทางยูเนสโกได้ประกาศไว้ในเรื่องของขันติธรรมสถาบาันศาสนากับขันติธรรมเนี่ยตามายกตัวอย่างประเทศอื่นกันแล้วกันก็คืออียิปต์อียิปต์เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเป็นประเทศที่ศาสนาหลักคืออิสลาม แต่มีโป๊กอยู่ในอียิปต์โป๊กของศาสนาคริสต์ประชากรเกือบ90้าล้านคน 10% เปซ็นเป็นคริสต์เมื่อจะมาไปเยี่ยมประเทศอียิปต์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จวสกเกตตอนนั้นที่เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังราชเนี่ยท่านต้อนรับแกนอิมาของอันอัสฮะเป็นประมุกอิสลามทั่วโลกเลนะี่ยมาเยือนไทยท่านก็บอกว่าจะส่งคณะ เหมือนกับสมณทูตจากไทยไปเยือนอียิปต์เป็นการตอบแทนแล้วให้อัตมาได้เป็นหัวหน้าคณะโดยการประสานงานของเอกอากาัครราชทูตไทยที่อียิปต์สิ่งแรกก็คือเมื่อไปถึงแทนที่จะได้ไปพบแกนอนหมามอฟ อ, อนาสาเนี่ยทางทูตให้ไปพบโปกพระสันตบปาปาของอียิปต์เป็นประมุขศาสนาคริสต์ของอียิปต์ ถามว่าในอียิปต์มีคนศาสนาคริสกี่เปอร์เซนต์เขาบอกว่า 10% ในในก้าสิบล้านเนี่ยก็มี 10% ่10ถามนะถามโป๊กว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านอยู่ได้นะนี่มันเป็นเหมือนกับหลังใหญ่ะเรียกว่าศูนย์กลางของอิสลามเลยโลกอิสลามนี่กายซุนนีซุนนีนี่มีคนเป็นพันล้าน สำนักงานใหญ่เหมือนวาติกันเนี่ยอยู่ที่อียิปต์ประมุกเรียกว่าแกรนอิมามอฟอันอัสฮะถามว่าทำไมศาสนาคริสต์อยู่ได้ทำไมเขาไม่ไล่ให้ท่านตกทะเลไปเลยก็บอกว่าโคบบอกว่าเราอยู่มาก่อนอิสลามอกีก่อนคริสจะมาอยู่ดินแดนนี้พระเยซูศาสนาคริสต์มาเผยแผ่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเราอยู่มาก่อนอยู่มามัอนเดิม อิสลามเขาก็ให้เราอยู่ต่อมาเอาแล้วท่านไม่ทะเลาะ ก, กันบ้างเหรอตมาก็ถามเขาก็บอกว่าเวลาลูกน้องทะเลาะ ก, กันผมก็หยยกโทรศัพท์หูโทรศัพท์เนี่ยไปคุยกับประมุขของอิสลามแกรีมามเราพูดภาษาเดียวกันคอียิบด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายพอคน้าคุยกันนะลูกน้องมันก็สงบมันไม่รุกล้ำ ก็เลยไปถามนิมแกแตนอิห ม, าม่ามว่าเนี่ยนี่คือเอกอัครราชทูตไทยแตนอิหม่ามออบอุลอาศาส์ซึ่งมีสาวกพันล้านคนทั่วโลกรวมทังภาคใต้ของไทยเนี่ยท่านแกนอิหม่างเนี่ยนิกายซนนีว่าทําไมท่านยังยอมให้มีคริสต์ในะหมายคำว่าท่านเนี่ยคือาศาสนาอิสลิมเลยนะยอมให้มีาศาสนาคริสต์อยู่ในดินแด น, นซึ่งเป็นศูนย์กลางของอิสลามอย่างอียิปต์เนี่ย ทำไมไม่ convert คือเปลี่ยนศาสนาที่หมดจะด้วยวิธีไหนก็นแล้วแตนะ่ทำไมไม่ convert ไหนๆไปทั้งทีไม่ให้เสียค่าเครื่องบินนะอะมาถามตรงๆเลยท่านก็ตอบดีนะกดีหมาแกตอบว่าเพราะพระอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้ต้องไปเปลี่ยนศาสนาคนอื่นพระอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สั่งมาว่าคนทั้งโลกนี้ต้องนับถือ ศาสนาเดียวกันแล้วท่านก็อ้างคำพีอันกุรานสโลกนี้ที่กาตริมามค้นทีหลังบทที่ห้าสโลกที่ห้าสิบเอ็ดแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ให้ฟังนะท่านอ้างว่าถ้าพระอเลสะ์นะเฮสโววประสงค์เช่นนั้นก็คือให้คนทั้งโลกเนี่ย นับถือพระอัลคงเดียวเท่านั้นไม่นับถือพระเจ้าหรือศาสนาอื่น he ก็คือพระอละัลเนี่ย would have made you all one single religious community พระอัละจะได้ทรงสร้างโลกนี้ให้คนทั้งโลกเนี่ยนับถือศาสนาเดียวความหมายก็คือศาสนาอิสลามกับศาสนาคิ่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกเหมือนกันและพระเจ้าสร้างมนุษย์ และเมื่อพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์จะไปยากอะไรท่านก็สร้างใจของมนุษย์ให้บูชาพระเจ้าคือพระอัลลอก์นั้นไม่ดีก็ได้เหมือนเราสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยท่านจะเขียนโปรแกรมคือซอฟต์แวร์อย่างไรก็ได้ซอฟต์แวร์คือมนุษย์คือจิตมนุษย์ฮาร์ดแวร์ก็คือโลกนี้และถ้รวมถึงร่างกายของมนุษย์พระอัลลอก็จะต้องถ้าประสงค์เนย ก็จะทําให้โลกนี้เป็นเลดี้เจสซิงเกิลเลดี้เจสคอมมินิตี้เป็นประชาคมศาสนาเดียวบัแต่พระอเละประสงค์ตรงกข้างคือไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาเดียวเพื่ออะไรเพื่อทดสอบมนุษย์ว่าจะเข้าหาพาล็อด้วยเจเจนงเสือหรื อ, ร อ, รอไม่ถ้าหากว่าเห็นว่าดีก็เข้ามาไม่ดีก็นับถือศาสนาอื่นไป และแข่งกันทำความดีท่านไกรนิหมานบอกว่าแม้แต่พระอรหังยังใจกว้างเลยแล้วทำไมเราเป็นสาวกจะไม่ใจกว้างนี่คือทอ l ลน a น c e เจ๊ะไหมอธมาก็ไปถามอธิการบดีมหาวิทยาลัยอันอาสาเอกนี่ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยอันอาสาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของโลกอิสลามอายุพันสี่ร้อยปี เป็นออ t h อร i t y ตี้ด้านศาสนาอิสลามเวลาฮอลลีวูดจะสร้างภาพยนต์เนี่ยนะต้องส่งสคริปต์ให้มหาวิลัยนี้ตรวจสอบก่อนถ้าเกี่ยวกับอิสลามถ้าอันนี้รับรองคือผ่านอาตมากถ็าถามท่านอธิการบดีอีกไปคุยกันว่าสังเกตดูนนะรัฐบาลไทยเนี่ยเฟเวอร์ Favor, คือชอบมหาวิทยาลัยของท่านและสนับสนุนให้นักเรียนทุนจากที่ อ, อิสสื่อศสลามเนี่ยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอันอาาัสสั ถามว่าทำไมท่านก็ตอบเลยเพราะมาเรียนที่เราแล้วไม่หัวหรุนแรงเป็นสายกลางลับไปไม่เป็นที่เป็นภยัยเป็นพลเมืองดีต้องมาเรียนที่อันสัตว์ก็ถามว่าแล้วท่านสอนอยังไงสอนอยังไงให้ให้คนเนี่ยไม่หัวหรุนแรงบอกไม่ต้องสอนอะไรมากหรอือท่านคัมภีร์อันอุรานเนี่ย มันมีคอมเมนต์รี่คือการตีความสามแบบแบบสุดโตงเขาเรียกแฟนติกแบบด็อกมาติกติดตำราและค่อนข้างคอนเซอร์เวีฟอันนี้จะโหรุนแรงและก็แบบตรงกันข้ามเขาเรียกว่าริเบอร์ลตีความแบบสบายๆนะเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อันนี้ไปโคนิกและก็มีแบบกลางๆอี ก, เ อ, กเอาทั้งสองฝ่ายมารวมกัน มหาวิาลของเราให้เรียนมาทุกแบบเรียนตีความแบบสุดโตงก็ได้ด้วยไม่ใช่ก็ได้ด้วยแบบลี่บรรดุด้วยแบบสายการด้วยแล้วปัญญาชนในระดับปิญญาตรีปริญญาเอกเนี่ยเขาคิดเองเขาควรจะเลือกแบบไหนเพราะฉะนั้นใครมาจากประเทศไหนเนี่ยมันปรับความคิดได้หมดเลยนี่ก็จึง เ, เป็นแนวในการที่เรียกว่า สายกลางไม่ไม่คลั่งศาสน า, ามหาจุลาก็เหมือนกันเลยเราทําไว้ตั้งแต่เดิมนะทุกศาสนาเราให้เรียนหมดเรามาีภาควิชาศาสนาเปรียบเทียบใครอยากจะเรียนศาสนาอะไรในศาสนาเปรียบเทียบเรียนได้หมดแต่เขาก็เป็นพุทธน่นแหละเห็นหมเขาก็เป็นพุทธเราจากที่สาขาหน า, นาชาติไม่มีการมาคุยกันนะเทรวัต ด, ดีกว่ามหายานมหายานดีกว่า เอออดีกว่าเถทะวา่าดีกว่าที่เบส ด, ดีกว่าอะไรมาฟังแล้วมาฟังแล้วเขาจะเข้าใจเองเขาจะรู้เองว่าอะไรดีไม่ดีเรายังชอบไอกรรมาฐานเซนแต่เราก็เป็นเขราวาตมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเปลี่ยนกันง่ายๆแต่มันกลายเป็นว่าเราเปิเเปดทัศนคของเราให้กว้างนี่คือความใจกว้างของพุทธศาสนาและความใจกว้างของศาสนาเนี่มันไม่ใช่เพิ่งมามีมาจากคมภีร์ในพระไตรปิฎก วันหนึ่งรัฐมนตรีสมัยนั้นเรียกเสนาบดีชื่อสีหาชศรีเนี่ยนับถือศาสนาเชนของคลินิกผลนัตตะบุตรสมัยก่อนปัจจุบันคือศาสนาเชนได้ไปที่วัดไปโต้วทีกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตอบคือทางอาจารย์ของนิกายศาสนาเชนเนี่ยใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเยอะจนลูกศิษย์โกรธเพราะฉะนั้นจึง Uh huh. เพราะฉะนั้นจึงไปว่าพระพุทธเจ้าสีหเสนบดีพระพุทเจ้าอธิบายด้วยความใจเย็นในที่สุดสีหบดีเลยบอกโอ้ท่านถูกใส่ร้ายนะอาจารย์สำนักเราใส่ร้า ย, ายไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนศาสนามานับถือผู้ศสนาสีหเ ส, หสนบดีเนะี่ยก็ปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพอจะากลับสีหเสนบดีได้ถามว่าพราะองค์ ตอนนี้ะ้าพุทธเจ้าขาาพระองค์เนี่ยเป็นพุทธแหละแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งที่บ้านทุกวันเนี่ยนะใส่บาท น, นิครนหน้าตะบุตรคือศาสนาเชนเขามานับปีธรามา ท, ทุกวันเลยเป็นแถวเลยแล้วอยู่ๆพอนับถือศาสนาพุทธเลิกใส่บาท น, นี่มันจะไม่โดนผังรั้วหรอท่านเปลี่ยนกันทันอาหารอย่างนี้ควรจะใส่บาสให้กับพวกนิครนหน้าตาบุตรที่เคยทาไห พระพุทธเจ้าตอบว่าไงตรงนี้แหละคือใจกว้างและก็ t o ร e r รนซ์พุทธเจ้าตอบว่าบ้านของท่านเหมือนบ่อน้ำเคยให้คนมาดื่มน้ำอย่างไรก็ให้ดื่มต่อไปถ้าอธิบายก็คือว่านั่นคือการสงเคราะห์ให้เพื่อการสงเคราะห์ให้คนดื่มน้ำคนหิวน้ำมีสิทธิดื่มน้ำไหมเหมือนกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาหิวน้ำมาเราเป็นหมอเราก็ต้องรักษาใช่ไ เขาหิวน้ำไหมว่ า, าศาสนาไหนเราก็ต้องให้เขาดื่มแต่การที่เราให้ทานแก่เขาเป็นสังคห์แปลว่าสงเคราะห์ช่วยเหลือในสังฆวัตถุเสกทานปิยาวาจัอัฏฐจริยาสมานะตา่าไม่ใช่บุญเกเริยาวัตถุทานเนี่ยเป็นท่านบุญกิรียยวัตถุและสังฆวัตถุนะถ้าเราถ้าเราจะทําบุญเนี่ยต้องทําบุญในพระพุทธศาสนาเขาเรียก บ, บุญเกเรยียยวัตมีสอย่างทานศีลภาวนา นั่งกรรมฐานฟังเทศน์ฟธรรมอันนี้ทําแล้วได้บุญในพุทธศาสนาทำในพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ท่านทําทานแก่คนนอกศาสนาได้โดยการสงเคราะห์โดยการเชื่อมมนุษยสัมพันธ์พุทธศาสนาไม่ได้ห้ามเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่แปลกไว้ตอนเกิดสึนามิภาคใต้เนี่ยไทยก็เข้าวัดย่านยาวหมดศพทุกศาสนามารวมกันอยู่ในนั้นเน่ยที่หมอพรทิพย์ไปตรวจอาตมาไปเยี่ยมมัน่ะนี่คือลักษณะตั้งแต่ต้นของพุทธศาสนา ที่สงเพราะทุกศาสนาะฉะนั้นในในการในการประชุมชาวทุกศาสนาทั่วโลกเลยนะเราเรียกว่า m i l l ์ o บ l ลเ e เนียร์เวิร์ดพีซซในปีคศ .2000 อาตมาได้เป็นผู้แทนประเทศไทยนำพระเถระผู้ใหญ่จากคุณสมเด็จพระตางไปร่วมประชุมหนึ่งพคน หนึ่พันคนเท่านั้นเฉพาะผู้นำศาสนาทั่วโลกในปีคศ ส, สัมพันไปไประชุมในที่ประชุมใหญ่อขององค์การสากประชาชาตินะเนี่ยผู้นำศาสนาหนึ่งพันคนไปไประชุมที่นั่นอาจจะมาเป็นผู้ประสานงานไปในปีคศสองพันเนี่ยเราไปอยู่ในในที่ประชุมใหญ่ต้องยกความใจกว้างของเลขาธิการสาประชาชาติในสมัยนั้นคือท่านโคฟีอ่อ น, นันต์เนี่ยนะี ท่านยอมให้ใช้ห้องประชุมใหญ่เจนเนอเรชันเรีของสหประาชาติเนี่ยเป็นที่ประชุมของผู้นำาศาสนาทั่วโลกแล้วเมื่อเราประชุมกันแล้วนะทุกาศาสนาเลยผู้นำทั้งหมดเลยเนะี่ยเราประกาศก็ยังไงาศาสนาเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งเราผู้นำาศาสนาขอประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่า no more wars in the name of religion ไม่ยอมให้มีสงครามในนามของศาสนาอีกต่อไปใครจะรบกันเพราะบ้าอำนาจเป็นใหญ่ทางการเมืองโลกโลดหลงอย่างไงทําไปแต่อย่ามาอ้างศาสนามาสนับสนุนความขัดแยง้งถ้าผู้นําศาสนาทั่วโลกประกาศกันอย่างนี้เนี่ยมันจะลิมิตมันจะลิมิตมันจะลิมิตความขัดแยง้งให้เป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง และจะไม่ลุกลามมาเป็นสงครามาศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกาศกันในปีคศ2000เนี่ยความขัดแย้งในในบ้านเมืองที่ไหนก็นตามเนี่ยเราจะเตือนผู้นำาศาสนาด้วยกันเราต้องจับมือกันนะเขาอาจจะมาทำร้ายพระเราบ้างพระพิศุทธ์บ้างแต่นั่นเพราะเขาอยากให้มันเป็นความขัดแย้งทางาศาสนาเราต้องมีคารทีทัต้องอย่าให้เป็นเรื่องของาศาสนา ทั้งคริสทั้งพุทธทั้งอิสลามต้องจับมือกันไว้ในฐาน ะ, ะชุมชนประชาชนเนี่ยเราจะต้องรักษามัคคีกันเป็นคนไทยด้วยกันอย่าให้อ้างศาสนามาสร้างความแตกแยกเราก็ยึดหลักอันนี้ตั้งแต่พศออ2000เป็นต้นมาในประเทศไทยเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าในเมื่อเกิดความขัดแยง้งเราไม่เคยเอาเรื่องศาสนาเข้ามาบังหน้านะมันเป็นความมักใหญ่ไฟสูงของนักการเมืองก็ทากันไป จะฝ่ายไหนก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ฐานในการคิดเนี่ยในทางการเมืองที่จะทำให้เกิดสามัคคีในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าอธิปไตยอธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงนะเพราะว่าความมั่นคงเนี่ยมาจากสามแหล่งด้วยกันถ้าเป็นอัตราธิปไตยเนี่ยความเป็นใหญ่เนี่ยมันมาจาก ผู้นําเอาตัวเองเป็นสูงกลางอย่างเดียวเราเรียกว่าอัตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยแปลว่าผู้นําอ่อนแอแต่ก๊กต่างๆเป็นใหญ่สมัยพระเจ้าตากเนี่ยแบกออกเป็นหลายก๊กอะเนี่ยเป็นยุคเขาเรียกโลกาธิปไตยใครก็เป็นใหญ่ได้ส่วนรวมก็ไม่มั่นคงท่านจะเห็นได้ว่าไอเนชั่นอลเซคูริตี้เนี่ยโลกาธิปไตยถ้าแยกเป็นก๊กเล็กก๊กน้อยเนี่ยไม่มีความมั่นคงของชาติไม่มีความมั่นคงของ ส่วนรวมถ้าเป็นอัตราที่ปไตยอาจจะมีนะแต่ว่ามันจะอยู่ได้ไม่ยืดยาอย่างเช่นจินซีฮ่องเต้เนนะี่ยจินซีฮ่องเต้นเนี่ยปกครองโดยเซลเซนเตอร์ะน ะ, ะแล้วก็เรียกตัวเองว่าไม่ไม่เรียกตัวเองว่า อ, องค์อีกแล้วเจ้าชายแล้วแต่ไม่เรียกว่าคิงเรียกว่าฮ่องเต้ก็คือจกักรพรรดิแล้วปกครองโดยอัตราที่ปไตย ปรากวรชวงจินซีอยู่ได้แค่ห้าสิปีโดนล้มล้างเกิดกบฏแล้วก็มายุคของเล่าปังเล่าปีไอเล่าปังเนี่ยน ะ, ะก็คือราชวงศ์ฮั่นน่ซึ่งจะปกครองอีกแบบเนีเ่จะมีลักษณะที่เอาธรรมะเข้าไปเกี่ยวมีหลักการมีอะไรต่างๆมากขึ้นราชวงศ์ฮั่นก็อยู่ได้มาสี่รอปีจนมาล่มสลายในสมัยสามก๊กท่นี้ประเด็นที่ จะสร้างความมั่นคงของชาติคือต้องวางระบบในการบริหารปกครองบ้านเมืองให้เป็นธรรมาธิปไตยมันถึงจะอยู่ยืนยาวเพราะจะมีหลักการคือความดีงามความถูกต้องเป็นใหญ่กฎหมายเป็นใหญ่ดลนอบลอเนี่ยหรือแม้กระทั่งธรรมาภิบาลมันก็อยู่ภายใต้ธรรมาธิปไตยนี่แหละทีนี้ถ้าเรามาดูว่าอาวัดง่ายๆว่าอันไหนมันเป็นความสัมพันธ์แบบอัตตาธิปไตย เราสัมพันธ์กับต่างาศาสนาเราสัมพันธ์กับต่างประเทศเราสัมพันธ์กับต่างพักการเมืองเนี่ยเราสัมพันธ์แบบงปาร์ตาธิปไตยหรือโลกาทธิปไตยก็ดูสี่สมุมถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราเอาชนะกินรวบเราต้องได้เขาต้องแพ้อันนี้เรียกว่าอัตราธิปไตยผู้มีอำนาจรวบหมดนะไม่แบ่งให้คนอื่นมันก็เป็นอัตราธิปไตย ถ้าผู้มีอำนาจไม่สามารถจะคมอะไรไว้ได้มันแตกเป็นก๊กเล็กก๊กน้อยออตัวเองไม่ได้อะไร loose win ราอื่นชนะหมดเขอื่นได้หมดแต่ถ้าเป็นธรรมมาธิปไตยมันจะต้อง win w i นสังคมไทยจะอยู่อย่างยืนยาวนี่มันจะต้องวินวินต่างฝ่ายต่างได้เพียงแต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันจะต้อง ได้ผลประโยชน์ได้ศักดิ์ศรีไดออ้อำนาจได้อะไรต่างเนี่ยเขาเรียกว่าพวกดุลกันอะวินวินเซจิโเอเช่นนั่นคือธรรมมาธิปไตยเมื่อมีธรรมะหลักการเป็นใหญ่ธรรมมาธิปไตยมันก็จะปรับสมดุลทั้งบนเนี่ยให้อยู่ได้ไม่ใช่ฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งต้อนอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นสุนัขจนตรอกเราเรียกว่าธรรมมาธิปไตยแต่ถ้าทําไม่ได้นะมัวแต่เอาชนะค้าขายกันสองแบบเนี่ยมันจะไปอนาคีเลย คืออนาธิปไตยต่างฝ่ายต่างแพ้ก็คือสูญเสียความมั่นคงของชาติเมื่อคนกรุงศรียาทะเลาะ ก, กันใช่ไหมพม่า ก, ก็เข้ามายึดครองในสมัยครั้งที่สองที่แตกเสียเมืองครั้งที่สองเนี่ย เ, เพราะแตกหลายก๊กเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอนาธิปไตยถูกเผาบ้านผเผาเมืองฉะนั้นถ้าเราจะรักษาไว้ได้มันจะต้องเป็นธรรมมาธิปไตยท่นี้สเปรดในพุทธศาสนาเนี่ย ที่เป็นธรรมมาทิปไต่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับปกของ The c o n o มิสเนี่มีอยู่ฉบับเมื่อปีที่แล้วจะมาไปเห็นเลยอเอามาเนี่ยให้ท่านดู winning the battle losing the war อันนี้เป็นลักษณะของพวกอัตาทิปไตยคือต้องการเอาชนะหมดนะกินรวบแต่ในที่สุดจะแพ้สงครามเขาเรียกว่าชนะศึก แต่แพ้สงพรามเพราะเราหวังเอาชนะมากเกินไปหมายถึงอะไรมันจะมีให้เลือกสองแบบว่าท่านจะแบบไหนระหว่างชนะสึกแต่แพ้สงพรามกับแพ้สึกชนะสงพรามคำว่าชนะสึกแต่แพ้สงพรามหมายถึงชนะแนวรบย่อยแต่แพ้เสียบ้านเสียเมืองก็คือตัวสงพรามใหญ่ สมมติสงครามเก้าทัพเลยนะเราแพ้สักษี่ทัพแต่ว่าเอาชนะที่เหลือแล้วเราชนะสงครามอย่างเงี้ยเขาเรียกแนวรบย่อยเรายอมแพ้แต่เขาคือแพ้ศึกแบทเทิลนะชนะแนวรบย่อยแต่ในที่สุดเรารักษาเอกราชอณิที่ปัตทยไว้ได้ก็เลยชนะสงครามยกตัวอย่างในชีวิตจำวันเนี่ยท่านถ้าสมมติท่านมาทำวิจัยนะ แล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเรามันมีหลายคนเพราะฉะนั้นเถียงชนะอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏ ง, งานไม่เสร็จไม่ผ่านี่ก็เราชนะศึกแต่แพ้สงครมีบ่อยไปที่เรียนปริญญาโทรปริญญาเอกไม่จบเนี่ยเพราะเทียงชนะอาจารย์ที่ปรึกษานะเพราะฉะนั้นเขาให้แก้ก็ต้องแก้นะแพ้ศึกแต่ว่าชนะสงครคือเรียนจบ ในบ้านก็เหมือนกันครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาขิงก็ราขาก็เ็กทะเลาะเถียงกันชนะศึกแตกครอบครัวแตกแยกเขาเรียกว่าแพ้สงครามเพราะฉะนั้นเอาครอบครัวไม่อยู่ฉะนั้นโบราณจังบอกว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักจะคบกับใครยืดยาวบั่นคำพูดยองแ้บ้ากรักยาวให้บั่นแต่ถ้ารักจะคบกั น, นสั้น ให้ต่อความยาวสาวความยืดฉะนั้นมันจึงมีคำอีกคำหนึ่งที่เรามาใช้เลยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเขาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไม่เหรไม่ไม่ได้หมายว่าพระก็แพ้ตลอดมาชนะเขาหมายถึงอย่างนี้ใครก็ได้จะเป็นพระหรือเป็นคารว่าถ้ายอมแพ้สะบ้างจะเป็นพระในใจของผู้ชนะแต่ถ้าเราเอาชนะเขาร่่มไป เอาชนะเขาเริไปนะเราเป็นมารขัดขวางของคนคนนั้นฉะนั้นท่านอยากจะเป็นพ่อพระแม่พระในใจใครนะยอมยอมบ้างคือให้เขาวินบ้างมันก็คือธรรมมาธิปไตยแต่ถ้าท่านคิดว่าเอาชนะไปหมดกลายเป็นว่าท่านเป็นมารเขาก็ไม่อยากพบท่านฉะนั้นธรรมมาธิปไตยเนี่ยจึง เป็นเรื่องที่กษระสับแต่อดีตอย่างพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยประโยคนี้จะนำมาอ้างอย่างพระเจ้าปิฎกเนี่ยพระราชาธรรมราชาอาศัยธรรมะเท่านั้นสักกาธรรมะคือความถูกต้องเคารุษธรรมะคำว่าธรรมะในรวมถึงกฎหมายม้านเมืองรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยนะที่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะกันเป็นหลักการเนี่ยอาศัยธรรมะสักกาธรรมะคารพธรรมะรอบร้อนธรรมชาติยกขึ้นธรรมะมีธรรมะเป็นธงชัยมีธรรมะเป็นธงชัยก็คือมีธรรมะเป็นใหญ่เป็นธรรมาริติปไต่เห็นไหม การปกครองที่เป็นไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรเล็กองคอ์กรใหญ่มหาวิทยาลัยสมาคมเนี่ยมันจะต้องเป็นธรรมาธิปไต่พอเป็นธรรมาธิปไตยเอาหลักการเป็นใหญ่กระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของธรรมาธิปไตยอันนี้คือเรื่องของอความสามัคคีในอดีตที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงของชาติ อีกเรื่องหนึ่งที่เรามีท o l e r a n c ์เลยนะนะก็คือทำไมจึงเกิดอวิหิงสาไม่เบียดเบียนกันทำไมจึงประสานประโยชน์ได้เพราะเราไม่จองเวนกันคนไทยนี่แต่ก่อนนี่ดีนะก็คือคนไทยลืมง่ายลืมง่ายลืมไอ้เรื่องที่ไม่ดีนะไอ้เรื่องดีๆไม่ต้องลืมลืมง่ายคือการจองเวนเนีนะ่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเนนะในวงการเมืองใ น, น็ดีแล้วแหละ เพราะว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับใยการจองเวรอาเวเรนจะสั ม, มันติเวยรย่อมระ ง, งับ้ดยการไม่จองเวรเนี่ยอันนี้ที่คำว่าจองเวรคือผูกอาฆาตพยาบาทแบบภาษา จ, จีนบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระใครที่ถือว่าความแค้นต้องชำระเนี่ยคือจองเวรเพราะฉะนั้น สังคมพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนให้เราให้อภัยกันที่เรามาเรียกสมัยปัจจุบันว่าปรองดองสมานนิชันเนี่ยก็ในเมื่อคุณเบียดเบียนเขาแล้วจะให้เขาอภัยเนี่ยก็จะต้องปรองดองสมานนิชันต่างฝ่ายต่างถอยต่างฝ่ายต่างยอมกันนะซึ่งวิธีวิธีของอัปราคาบริงคร์คอนเนี่ยนะ น่าสนใจนะทำไมอับราฮัมลินคอนจึงยิ่งใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือเขาสร้างประชาธิปไตยสร้างประชาธิปไตยโดยประโยคที่เขาประกาศชัยชนะในศึกที่เกตติเบกนะฮะเกตติเบกว่าเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยหมายถึงอย่างนี้ แต่แต่ท่านต้องรู้ว่าเวลาที่เขาประกาศประโยคนั้นเนี่ยเขาประกาศบนกองซากศพของทหารทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ลบกันลินคอนอยู่ฝ่ายเหนือก็ลบกับฝ่ายใต้ที่อยากให้มีท่าลบกันเกือบ4ปีนะตายไปหกแสนคนในสมัยโน้นแล้วพอใกล้ๆจะชนะจึงประกาศเออจึงพูดประโยคที่ว่าประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ย ทีนี้เราจดจําภาพตรงนี้ของลินคอนว่ายิ่งใหญ่เพราอะไรรู้ไหมตอนที่เขาเป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือลบชนะฝ่ายใต้เนี่ยคนไม่จดจําหรอกเพราะว่ามันชนะสงครามแต่ลินคอนกําลังจะหมดเทอมแรกประธานรัฐบดีก็เป็นสี่มีกําลังหาเสียงเทอมที่สองลินคอนรู้แล้วว่าตัวเองกําลังชชนะสงครามและจะต้องเป็นประธานนาธีบดีในช่วงสมานณา์ฉัน ช่วงปรองนอกไม่ใช่ช่วงลบกันเพราะฉะนั้นการหาเสียงในสมัยต่อไปเนี่ยจึงหาเสียงในเชิงประนีประนอมสมานฉันเช่ น, ชนครั้งหนึ่งเนี่ยริงคอนได้ขึ้นไปปราศัยแล้วก็บอกว่าเราจะต้องยอม เ, เราจะต้องถือว่าพวกฝ่ายใต้เนี่ยก็คือคนอเมริกันด้วยกันเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีเยอะแต่หลงผิด เราจะต้องต้อนรับเขากลับมาสู่สังคมอเมริกันที่เป็นยู i นเต็ดสเตทพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาแฟนพันธุ์แท้คนหนึ่งเป็นคุณยายโกรธไม่พอใจที่ไปพูดชมฝ่ายใต้พอลินคอนเดลงมาก็เลยบอกต่อว่าท่านประธานาธิบดีทำไมท่านไปชมศัตรูคือฝ่ายใต้เนี่ยที่จริงเราเลือกท่านให้ไปทำลายศัตรู ไม่ใช่ให้ชมศัตรูเินคอนตอบเนี่ยที่ขึ้นบนจอเนี่ยคุณนายการที่ผมชมาศัตรูนี่นะคือผมพยายามทำศัตรูให้เป็นมิตรก็การที่ผมพยายามเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรมิช่วิธีทําลายศัตรูที่ดีที่สุดและหรือเห็นไหมนี่คือการที่ลินคอนเนี่ย พยายามประนีประนอมให้รับฝ่ายใต้เข้ามาสู่สหรัฐและให้คนดำมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งให้ทุกฝ่ายมีสิทธิ์มีเสียงปรากฏว่าผลแห่งการหาเสียงอย่างนี้เนี่ยทำให้คนผิวขาวโกรธเกลียดชังริมคอนและยิงเขาตายเน่ยิงเขาตายเมื่อสองครามเสร็จนะเนี่ยก็คือเพราะเขาชื่นอ่เพราะเขายืนหยัดใน เ, เรียกว่า Democracy เดนะ็กมอร์คเรซี่อะไรนยก็คือประชาธิปไตยหรือที่เป็นธรรมมาธิปไตยคืออภัยกันดังนั้นอภัยทานเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามั่ขี่ยากละบากจังความผิดพลังย่อมมีทั่วทุกตัวคนพระพุทธศาสนาสอนให้ลืมและให้อภัยกัน เราจะมีลักษณะที่เป็น t o l e r รนซ์มีขันติธรรมมาแต่โบราณอย่างที่ท่านกรมพรยาดารงราชานุภาพท่านไ ด, ได้สรุปเอาไว้นั่นก็คือที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องของอสิ่งที่เป็นการสร้างความมั่นคงของชาติโดย Freedom from Fear อยู่อย่างประศจากเวนไัยในข้อแรกนะท่านจะเห็นว่า ในไ อ, ไอความมั่นคงของชาติเนี่ยมันอาศัยสองสองฐาน 1. Freedom from Fear เพราะฉะนั้นไอการที่จะอยู่อย่างปราศจากเวณภัยเนี่ยจึงอาศัยอย่างเช่นกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราสามารถอาศัยดิปโลเมซีการการพูดก็ได้หรืออาศัยวัฒนธรรมก็ได้นะอย่างอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะทำไมเป็นประเทศที่เป็นกลางได้แล้วก็ ไม่โดนประเทศใดลุกรานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอก็เพราะว่าคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันมีสามเขาเรียกว่าในเชิญภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ติดด้านเหนืออยู่ติดกับประเทศเยอรมันก็คือซูริกมาทางตะวันออกเขียงใต้อยู่ติดฝรั่งเศสในทางเจนีวาในทางใต้อยู่ติด อิตาลีเนี่ยมิลานโนเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าท่านถ้าท่านขับรถไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พอไปภาคเหนือป้ายบอกทางจะมีสองภาษาภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันพอมาทางเจนีวาจะมีภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษพอมาภาคใต้ ของสวิตเซอร์แลนด์จะมีภาษาอังกฤษกับภาษาอิตาเลียนเพราะอะไรเพราะคนภาคเหนือพูดภาษาเยอรมันคนภาคตะวันออกส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศสภาคใต้พูดภาษาอิตาลีเพราะฉะนั้นเวลาคิเลอร์จะบุกคนภาคเหนือก็บอกเราพูดภาษาเยอรมันด้วยกันเป็นพวกเดียวกันพอทางฝรั่งเศสจะบุก เราก็มีคนฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้ขออิตาลีนะรับจะบุกเราก็มีคนอิตาเลียนอยู่ในเพราะฉะนั้นพี่น้องกันหมดในความหมายหนึ่งคืออะไรก็คือการที่เป็นเขาเรียกเป็นญาติเป็นมิตรกันสมัยปัจจุบันก็คือเรียนรู้วัฒนธรรมของการในการสมัยนี้เราไม่ต้องไปเรียนภาษาโดยแบบสะกดต้องเอาคนทั้งประเทศไปพูดหรอ ใครเป็นประเทศไหนมาเราสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษายาวีภาษาอะไรรู้กันหมดและพอรู้มันจะเข้าใจกันไม่ใช่พูดอยู่ภาษาสองภาษาแล้วไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความปรองดองด้วยและทำให้เกิดอพยทานนะเพราะเราเป็นพวกเดียวกันอันนี้ที่จะมาพูดมาคือพุทธานาในคดู ค, คูประการของศาสนานะ ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ตามที่มีต่อสันติภาพที่มีความอยู่อย่างปราศจากเวรภัยก็คือเฟรน o อมฟ r o m Fear ต่อมาเรื่องที่สองศาสนาช่วยพัฒนาสังคมเราเรียกพัฒนาเศรษฐกิจการอยู่ดีกินดีอย่างที่รัชกาลที่9เนี่ยทรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเนี่ยทำให้คนไทยรู้สึกมีความ อยู่อย่างปราสจากเวีภนไทยเพราะว่ามีพ่อหลวงันเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชาวเขาชาวเราแล้วในหลวงราชการที่กล้าไปพัฒนาหมดก็ทำให้ทะเล อ, อยู่ยงปราศจากความยากจนเพราะว่าทางการไม่ทอดทิ้งในหลวงไม่ทอดทิ้งมันก็จะมาถึงข้อที่สอที่แต้วจะพูดก็คือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็ตามสร้างคุณทางสังคมตรงนี้เป็นประเด็นที่ ทาสถาบันศาสนาเนี่ยสร้างความมั่นคงของชาติโดยอาศัยสร้างทุนในสังคมให้คําว่าทุนทางสังคมสํงงานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้อธิบายว่าหมายถึงผลรวมของสิ่งดีงามต่างๆที่อยู่ในที่มีอยู่ในสังคมทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและการต่อยอดรวมถึงการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจสายใ ย, ายแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งหากนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแล้วจะเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้สมดุลและยั่งยืนถามว่าอันนี้คืออะไรทุนทางสังคมเนี่ยก็คือการการรวมตัวของคนเพื่อสร้างประโยชน์ส่วนรวมลบนพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมที่ดีงาม นั่นก็คือโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมคือโซเชียลแคปิตอลแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีทุนทางสังคมที่งดงามมาแต่โบราณก็คือจิตอาสาโซเชียลแคปิตอล generated by volunteering เนี่ยนะ play a key role in economic regeneration การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ย ต้องอาศัยจิตอาสาท่านและทุนทางสังคมที่ศาสนาได้หล่อหลอมและาศาสนาได้หล่อหลอมให้เสียสละนี่แหละมันเป็นปัจจัยในการพัฒนาให้คนอยู่อย่างประาศจาก ค, ความยากจนโดยอาศัยทางการอย่างเดียวมันไม่ทันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการในพระราชดำริของในหลวงเนี่ยมันคือทีมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการ และจิตอาสาอันนั้นเองเป็นการทำงานด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดจะเห็นได้ว่าจิตอาสาที่มีมาแต่โบราณเนี่ยนะ เ, เป็นการทำประโยชน์สุขโดยไม่หวังผลตอบแทนและประโยชน์มันจะมี3มอย่าง หประโยชน์ตอนเรียกว่าอันตรธานสองประโยชน์คนอื่นเรียกว่าประยัน์ะป ร, ะรัลถาและสามประโยชน์ส่วนรวมคืออุปยัตถาการที่เราทําจิตอาสานี่มันคือเน้นประโยชน์ส่วนรวมมันจะได้ทั้งประโยชน์ตอนและประโยชน์ท่านและตรงจิตอาสาเนี่ยทาให้เกิดอุปยัตธะมุ่งประโยชน์สุขส่วนรวมและเราก็พอยได้ด้วยลูกหลานเราก็ได้ด้วยใน ลักษณะจิตอาส า, าจึงมี4ประการตั้งแต่อดีตเลยนะหนึ่งเสนอตัวเข้าร่วมทากิจกรรมก็คืออาสาเหมือนกับทหารอาสาเงี้ยเราเสนอตัวสองไม่มีการเกณฑ์นนะีสองสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์สุขส่วนรวมอุปยัตตแก่ประชาชนและสังคมสมสมัครใจเต็มใจไม่ได้บังคับและสไม่หวันผลตอบแทน ปิดทองหลังพระเราจะได้ยินเรื่องปิดทองหลังพระในรัชกาลปัจจุบนันในรัชกาลที่9กาเนี่ยก็คือทุนทางสังคมที่สังคมไทยมีด้วยจิตอาสา น, นั่นเองทีนีเ้เราพูดถึงรัชกาลที่ 9. เ้าพระบรมราชนกเกษรัชกาลที่นะเเป็นเหมือนกับได้ได้ประธานแกง แบบในบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขกว่าให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ลาบซับและเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแหกอาชีพให้บริสุทธิ์ก็หมายว่าทําหน้าที่ของแพทย์พยาบาลด้วยโดยเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1คือในที่สุดมันจะได้ประโยชน์ทั้ง2 เพราะว่าเมื่อทําประโยชน์ส่วนรวมดีลากทรัพย์กเกียรติยศก็จะมาแก่เราเองอันนี้ก็คือพระบรมราชานุกในรัชกาลที่9เมื่อถึงรัชกาลที่9อาสาสมัครมีพระราชดำรัสทีบบทท่พระราบาทสมเด็จพระปรมินทรมหลวงปู่มิตรปณรุ ญ, ญเจดีบรมนาถบาพิษได้ได้ทรงอธิบายถึงคำว่าจิตอาสาหรืออาสาสมัครว่าอาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นโดยตัวเองคือสมัครใจอะนะไม่มีใครบังคับเกิดขึ้นโดยตัวเองมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทํางานมีเวลาที่จะปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกันแต่เป็นประโยชน์สุส่วนรวมในสมัยราชาการปัจจุบันราชาการที่10นี่ ประชาชนจิตอาสาทำดีเนี่ยทำเราทำความดีด้วยหัวใจเห็นทำความดีด้วยหัวใจก็คือเต็มใจเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมไม่ไม่ได้มีมีผลประโยชน์บางหน้าอะไรใจต่างๆอันนี้แหละเป็นทุนทางสังคมเป็นโซเชียลแคปิตอลแล้วอิงสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาท่านรู้ไหมว่าตำนานจิตอาสาในพุทศาสนาเริ่มมาเมื่อไหร่ ก่อนพระพุทธเจ้าเองถ้าท่านอยากจะรู้ไปอ่านประวัติพระอินนะพระอินทที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก่อนเป็นพระอินเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาชื่อว่ามัคคมนพและมคคะมนพเนี่ยเป็นคนจิตอาสาโดยสมัยนั้นไม่มีพุทธศาสนาไม่มีวัดวาอารามต่างๆมคคมนพเนี่ยชอบถางหน้าบ้านให้สะอาดสะอา้านเป็นลาน ลานชุมนุมนะคนก็เลยมาชุมนุมกันตากอาบแดดพิงแดดเพราะว่าสมัยก่อนป่ามันเยอะมาค้างมานพก็ชอบทําลานบ้านทําลานบ้านบ้านตัวเองไม่พอเนะไปทําลานบ้านให้คนอื่นด้วยเสร็จแล้วทําทางระหว่างหู่บ้านด้วยตอนแรกทําคนเดียวเพื่อนคนอื่นก็มาถามว่า ท, ำทำําทําไมท่านก็ตอบว่าทําทางไปสวรรค์เพื่อนก็เลยมาเข้ากลุ่มเนะีย เข้ากลุ่มทำ อ, อาสาเนี่ยนะทำทางไปสวรรค์รวมทั้งหมดมีส3สาคนนอกจากทำทางไปสวรรค์แล้วยังสร้างศาลาที่พักศาลาประชาคมแจกน้ำแจกอาหารตามสี่แยกจนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหาว่ามันเป็นแก๊ง เ, เรียกว่าขบวก็ เ, เลยไปบอกว่าอย่ามาทางานแบบนี้เลยไปหาของป่ามาขายจะดีกว่าต้มเล่าเถื่อนจะดีกว่า สหาย30คนมีมาฆะมานพิจารณาก็ไม่ยอมก็ยังคงทํางานอาสาสมัครปรากลัวว่าเป็นที่รักของประชาชนผู้ใหญ่บ้านกลัวเขาจะได้คะแนนแล้วมาเป็นผู้ใหญ่แทนก็เลยไปฟ้องทางการว่าพวกนี้เป็นแก๊งขบฏสมัยก่อนประเทศมันไม่ใหญ่เหมือนนักพรตเล็กๆนี่นะพระลายชาก็เลยทรงทหารมาจับจับแล้วก็ฟังแต่การใส่ร้ายของ ผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นพวกกบฏก็เลยตัดสินประหารชีวิตมคมานพเนนะ น, นี่ประวัติพระอินทร์เลยนะตัดสินประหารโดยให้ช้างเหยียบส3สาคนนอนกันที่ทุ่งสนามหลวงเอาช้างใหญ่มาเหยียบให้ตายช้างไม่ยอมเหยียบเพราะด้วยอำนาจแห่งเมตตาด้วยคุณธรรมของคนทั้งสาสามที่แบ่เมตตาให้ช้าง ทางการก็เลยเอาเสื้อมาคลุมเพราะนึกว่าเห็นคนจะเยอะช้างเลยไม่เหยียบเอาเสื้อมาคลุมใส่ช้างไปช้างช้างก็ไม่เหยียบพระราชาแปลกพระไทยว่าทําไมช้างไม่เหยียบคนสาสามคนก็เลยเรียกมาสอบสวนใหม่พอรู้ความจริงว่าสาบสามคนเนี่ยเป็นพว ก, กจิตอาสาเป็นพวกทางานเพราะชาวบ้านก็มายืนยันเนี่ยเพื่อสวนรวมเท่านั้นเนี่แล้วพวกนายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขี้อิจฉามาใส่ร้าย ก็เลยปลดผู้ใหญ่บ้านให้เป็นท่านรับใช้ของมคคะมานพแล้วตั้งมคคะมานพเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นมามคคะมานพก็เลยทํางานจิตอาสาเพิ่มขึ้นอีกทั้งสร้างศาลาทั้งอะไรต่างๆและให้คนมาพักไนงะขุดสระสร้างสวนพักผ่อนให้ช้างเนี่ยไปรับคนมาพักแล้วก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงอะต่างภรรยาของมคคะมานพก็เลยมีอยู่สี่คนก็ไม่ยอมแพ้ก็มาช่วยกันพัฒนาก็มีสุธรรมมา นะสูจิตราสุนันทาสูชาดาอะไรเนี่ยนะที่มันเป็นสวนหมดเลยเนี่ทั้ง4ชื่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงในด้านจิตอศาสาทางนั้นท่านของนึกออกทํำไมจิตรดาสุจิตราสูนันทาเนี่ยนะแล้วก็สุธรรมมาเนี่ยสุชาดามีแต่สูชาด า, า, ดาลักสวยลักงามอยู่คนเดียวต่อหลังไปเกิดเป็นนกกระยางน่ยไปฝังเรื่องเองเองแล้วต่อหลังก็มามาเกิดในสวรรค์เพราะ ท, าทจิตอศาสาด้วย ในที่สุดเนี่ยทั้น3 3มคนตายไปไปเกิดบนสวรรค์พร้อมกันและยึดอํานาจบนสวรรค์เป็นพระอินทร์เขาเรียกสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงมาจากภาษาบริว่าเตติงสะแปลว่าสาสาคนกลุ่มสามสอเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าทาจิตอาสาหมดยึดสวรรค์ต่อจากพระอินทร์ได้เลยเนี <c oughs> <c oughs> ไ่ไปตรงนั้นเลยเนี่ยคือจิตอาสาจะเห็นได้ว่าจิตอาสาในพุาสนานีนมีมานานแล้วแล้วพระเจ้าก็ ทรงถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ต้องแสดงน้ําใจจิตอาสาหนึ่งด้วยการให้ท่านถ้าท่านมีจิตที่จะให้เนี่ยไอถ้าท่านมีจิตอาสาจะช่วยคนอื่นเนี่ยนะแสดงออกด้วยการบริจาคท่านไปร่วมเขาไม่ได้ท่านก็บริจาคเงินบริจาคทองบริจาคสิ่งของตอนนี้น้ําเริ่มท่วมเลยใช่ไหมน้าล้น น, น้ําเอือนี่จิตอาสามันจะออกแหละเราก็บริจาคสิ่งของไปเราไม่ได้ไปกันเถอ ที่เพชรบุรีที่ไหนก็ตามเงินทองที่ให้เนี่ยมาจะจิตอาสากลุ่มที่หนึ่งคือทานข้อที่สองท่านไม่สามารถไม่มีสิ่งของท่านก็ไปบท่านเป็นจิตอาสาไปทาอะไรด้วยวิทยาวาจาก็คือไปพูดให้กำลังใจไปปลอบประโลมใจเวลาเขาน้ำท่วมท่านก็ไปเยี่ยมเขาไปปรับทุกข์ให้เขาปรับทุกข์หรือเป็นวิทยากรเนย ในในหรือแม้กระทั่งไปเป็นอะไรบอกทางไงจราจรเนี่ยช่วยบอกทางให้อะไรให้ก็คือปิยาวาจาเหมือนกันแต่ว่าเป็นอวัจนภาษาไม่ต้องพูดข้อ3ไม่มีของไม่มีเงินท่านก็ไปช่วยแบกช่วยหามเขาเรียกอัถาจริยาแปลว่าประพฤติประโยชน์อย่างเช่นขอน้ำท่วมทล้วกบพายเรือรับสมงไปช่วยแพ็คของไปช่วยแจกของ ในทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นจิตอาสาที่สังคมไทยเราเห็นจนเป็นภาพชินตาในประเทศลาวเคื่อนแตกล้วก็ไปกันแล้วนะไปไม่ได้เองถ่าก็ส่งเงินไปแล้วส่งสารส่งแสดงความเสียใจหรือทีวีไปทำข่าวให้กำลังใจแล้วก็บางคนก็ตรงไปเลยเอาของไปไปช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทำข้อสข้อ4ี่สามานตตาหมายถึงท่านไม่ได้ทำข้อ 1, ข้อสข้อส แต่ว่าเขาเรียกว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขไปให้เห็นหน้าก็ยังดีไปเยี่ยมไปเยียนเขาเรียกสมานนตตามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขเรามีเซนเซอร์บีลองกิ้งเ่ยเหมือนกับเราพี่น้องชาวลาวเดือดร้อนใช่ไหมเราก็มีความร่วเป็นพี่น้องกันก็นั่นแหละสมานนตตาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าอันนี้ฉันเป็นไทยนี่เป็นลาวเราเป็นญาติกันพระม่านะพายุนะกิสลาปไปใช่ไหมเออแล้วเป็นไง เนี่ยแหละเขาเรียกว่าจิตอาสาทางนั้นเลยแล้วสังคมไทยเนี่ยท่านลองดูสิพระพุทธศาสนาทําให้เกิดจิตอาสาอย่างไรเดี๋ยวถ้อยกระถินถ้อยรป่าไปแล้วออไอไอสิ่งที่ท่านถ้อยกระถินถ้อยป่าเนี่ยไปชนบทนะีไปพัฒนาถนนหนทางธนาคารข้าวพระท่านก็นํานะหลวงครูบาศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเนะีอะไรอะ่ะไม่ใช่ทุนหลังรัฐบาลนะ อันนั้นนะคืออัฐถจริยาคนมาช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยทำถนนหลวงพอ่อครูบาศิีวิจัยมันไม่ใช่เฉพาะพระนญาติโยมกระทำได้หมดในหลวงราชาการที่เกราชาการที่สิบในปัจจุบันเนี่ยทรงพัฒนาแนวคิดเลื่อนจิตอาสาในพุทธศาสนานี่เอามาใช้แล้วก็เป็นทุนทางสังคมอย่างดีที่จะทำให้สิ่ ง, งต่างๆในเกิดความสงมบร่มเยน็นเกิดการพัฒนาทีนี้ เมื่อเกิดน่ะจิตอาสามันจึงเป็นทุนทางสังคมเพราะสังคมวัตถุสีประการตอนปี240เนี่ยตอนที่ค่าเงินบาทตกต่ำนะแล้วก็ เ, เขากลัวว่าคนไทยเนี่ยจะอดอยากขิวโหวย เ, เพราะอะไรเพราะว่าคนตกงานธนาคารโลกเนี่ยเป็นห่วงมากคนจะแย่งคนไม่มีงานทำมันจะมีการต้นมีการขโมยกัน บทความของธนาคารโลกมันจะมาตอนแรกๆจะเปน็นยังไงแต่ต่อมาธนาคารโลกบอกไม่ห่วงสังคมไทยและเพราะธนาคารเพราะสังคมไทยมีเซฟตี้เน็ตแปลว่าตาข่ายนิรภยัยท่านดูสิเวลาคนที่เดินบนที่สูงเนี่ยเวลาตกลงมามันจะมีตาข่ายรองรับตกลงมาไม่ตายตาข่ายนิรภัยในสังคมไทยคืออะไรพอค่าเงินบาทตกคนตกงานใช่ก็กรุงจิตอาสาท่านคงนึกออก แจกโรงทานเออไม่มีกินข้าวัดเข้าโรงทานแล้วเจ้าของประกอบการเนี่ยเคยทำธุรกิจใหญ่ๆโตๆลูกน้องตก ง, งานทำไงเลิกแล้วเครื่องจักรขายฟอะดอกเนี่ยคือความงดงามนะธนาคารโลกนึกไม่ถึงเลยนะสมัยสังคมไทยถึงอยู่รอดเนี่ยโอ้สังคมไทยมีเซฟตี้เน็ตมีตาข่ายนิรภยัย ไม่มีกินในโรงโร ง, งานก็ไปโน่นไปชนบทนะไปาชาวบ้านก็ดูแลการให้กินนี่เอาทีนี้มาดูตัวอย่างนะเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยท่านปีสองพนหะ้าสิบสี่นะเ่รูปประทาเลยที่ท่านเห็นอยู่นี่คือน้ำท่วมปีน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่อาคารที่เรานั่งพูดกันอยู่คือหลังนี้นะท่านถ้าท่านจะมาปีห้าสี่เนี่ยนะ ท่านเดินมาไม่ได้นะมันท่วมถึงคอนะเนี่ยเนี่ยดูป้ายในยกัอบิตนะท่วมถึงคอแล้วก็ต้องทำยายเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านกำลังดูว่ามันลึกขนาดไหนเนี่ยเออมีจระเข้ามาอีกสองตัวด้วยนะโอ้เออมหาจุฬานี่นี่เราต้องเดินบนสะพาน<ม>เข้ามาที่ตึกหลังนี้แล้วนี่คือสภาพน้ำท่วมสร้างเสร็จใหม่ๆเลยจะมาเป็นที่การะเทเนี่ยสร้างมาทั้งหมด ทั้งหมดเนี่ยนั่งมองน้ำเนี่ย โ, โหทรับใหม่ ย, ยังไม่ทันได้อยู่เลย <c oughs> น้ำมาอยู่แทนจระเข้ามาแทนนี่อันนี้หอประชุมเราเนี่ยนี่โบสถ์กลางน้ำกลาน้าจริงไหมล่ะเนี่ยอบสกลางน้ำอันนี้หออาพาโลอาหารมีมีมีมีสีห้าชั้นน้ำท่วมไปชั้นล่างอยู่ไม่ได้เลยแต่ท่าน น้ำเต็มขนาดนี้เนี่ยมันเ ก, กิดจิตอาสาที่งดงามนะจิตอาสางดงามยังไงเราได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมศูนย์อยู่ตรงไหนอาคารหลังนี้แหละเออชั้นล่างน้ำท่วมไม่เป็นไรให้ชั้นชั้นที่หนึ่งทั้งบนในชั้นที่สองเนี่ยเอาคนมาอยู่กับเรานี่คือชั้นที่สองนะท่านเวลาน้าท่วมนี่มาตามสูตรเลยนะ น้ำเอ้ไฟเขาตัดไฟก่อนเออน้ำดื่มก็ไม่มีคนมาอยู่กับเราห้าร้อยคนเนี่ยในชั้นเนี้ยห อ, อ, อ, อชันเนี่ยห้าร้อยคนแล้วอาธมาก็ถามเลยตอนนั้นอาธมาเป็นที่การาดีว่าเออน้ำท่ำวมแล้วอย่างนี้เนี่ยปกติศูนย์อุ ย, ยพยบที่ไหนก็ตามเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเพ่นในคนละทางสอทางใช่ไหม มันไม่มีใครจะข้ามนะ้ามาเรียกท่านนะมันต้องย้ายศูนย์เออท่านจะไปไหมย้ายศูนย์เนี่ยโยมรับก็บอกว่าไงเนี่ยคนแก่คนเฒ่าบอกท่านพวกเราย้ายมาจากโน่นเกาะเมืองอยุธยาแล้วจะให้เราย้ายต่ออีกเหรอเอาอย่างนี้โยมอธมาก็บอกตอนที่น้ํายังไม่ท่วมเนีย่ยโยมใส่บาดคลักตอนนี้น้ําท่วมคลักจะใส่บาดโยมโยมอยู่นี่แหละ เอออยู่กันเรานี่แหละเดียธรรมมาจะไปบินธบมาเลี้ยงอยู่กัน500คนนะลงทะเบียนได้หมดเลยห้าอคนอรรมมาจะไปบินธบเลี้ยงวิธีบินธบธรรมมาทํำยังไงออกสื่อนี่นี่เทธรรมมาถนักใช่ไหมออกทีวีโอ้ยตอนนี้เลี้ยงคนอยู่ห้าร้อยคนใครจะช่วยบ้างส่งของมานะทานปิยะวาจาเนี่นะเฮกันมาท่านเรือเลยอะไรมาพายเรือเนี่ยนะแล่ ที่น่ารักมากก็คือบางคนมาอาสาัสมัครพายเรือรับส่งสิ่งของบ้างขาว่าพายเรือตรงไหนท่านคือเราเลี้ยงคนในมหาเจุฬาเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ห้าร้อยคนแล้วรอบๆอบบ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยคนไม่ยอมทิ้งบ้านกลัวโจรมาลักของเฝ้าอยู่ชั้นบ น, นอีกห้าร้อยคนรอบๆอบเลยนะเพราะฉะนั้นมหาเจุาทำไงทำโรงอาหารอ่ ลงอาหารคือเลี้ยงคนห้าร้อยคนและแจกข้าวกล่องอีกห้าร้อยคนและหาอาสาสมัครภายเรือไปแจกนะสิ่งที่น่ารักที่เราพบคืออะไรคนมาอยู่ที่นี่เราดูแลทั้งกายและใจทางกายก็ให้ให้กินให้อยู่เด็กให้เรียนหนังสือนะพระยศคนแก่เราเทศเราสอนนะเออไม่มีที่ไหนนะเช้าขึ้นมาทำวัดเช้าหนึ่งชั่วโมง ออส่วนมนกันเยอะกว่าอยู่วัดอีกนะเพื่อไม่ให้คิดมากส่วนมนกันพระนำส่วนมนิหนีหนไม่รอดเลยนะ<ม>เย็นส่วนมนทำวัดเย็นอีกตีกละครทาวัดสิ่งที่อาจรมาต้องการคือพระที่จะอาสาเพราะเราอยู่วัดต่างๆที่นี่ไม่ได้มาอยู่กันแต่มาทำงานมาเรียนอาจามาถามเลยว่าใครจะอาสามาเป็นแม่งานคุมอยู่ที่นี่ จนกว่าน้ําจะลดสองเดือนมัต้อง ไ, ไปไหนเลยนะอาสาสมัครรองทอี่การหนึ่งรูปรอทอี่การประดีหนึรูปส่วนอาตมาเนี่ยจะออกเดินทางไปหามาแล้วะจะมาจะเดินทางมาเยี่ยมวันเว้นหวังจากวัดไปยุทธปกตินั่งรถมาที้ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะอาตมานั่งรถมาหลบน้ําน้ําท่วมอะไรต่างมาสายมอเตอร์เวย์อะไรเนะี่ยห้าชั่วโมงมาถึงเอาของมาส่งลงจากรถ ขึ้นรถทหารภายเรือเอาของต้องพายเรือแบกไม่ไหวนะมาส่งที่โรงอาหารห้าชั่วโมงเดินทางกลับอีกห้าชั่วโมงแล้วก็ทำอย่างนี้จงของเต็มหมดทีนี้ต้องมีพระอาสาพระอาสานี่หนึ่งมาดูแลญาติโยมอันที่สองนำสมวัตสวดมนต์สามสอนเด็กอะไรต่างประสานงานทั้งหมดฟ้า่าได้พระนิสิตครูบาอาจารย์อาสาสมัครไม่อยู่กันประจับ ผู้ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะคือท่านเจ้าคุณพระราษฎระยะิกวีท่านมานอนอยู่ประจําเลยสองเดือนไม่ไปไหนเป็นเฝ้าอยู่ตรงนี้ปัจจุบันน่าจะมาให้เป็นที่การบันดีต่อแล้วอ อ, อยู่เสียสละอยู่ตรงนี้อยู่สองเดือนเสร็จแล้วมีคนต้องมาบอกกับพวกเราว่าเป็นมุสลิมเพราะเราทําว่าสวนมน ไม่ได้ทำว่าส่วนมน์กับเราเลยมาบอกว่าผมเป็นมุสลิมพวกเราเป็นมุสลิมสิบเจ็ดคนเนะ่เขาอยู่บ้านรอบๆเนี่ยรอบๆมหาจราเนี่ยไม่เคยเข้ามามาอยู่กับเราเราก็บอกเ้าไม่เป็นไรเลยให้ทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็เขาตอนแรกเขาไม่เปิดเผยนะเขาอยู่แล้วเขามีความสุขเขาเลยบอกว่าเขาเป็นมุสลิมและเ้าก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขสองสองเดือนเสร็จแล้ว ตอนหลังเนี่ยหรือพอน้ําลดใช่ไหมคนหนุ่มสาวก็กลับไปทำความสะอาดบ้านไปหมดแล้วเจนคนแก่ตำไมก็ถามอะ้รไม่กลับเหลอไม่อยากกลับได้เพื่อนคนแก่ด้วยกันเนี่ยมาเจอกันตอนเนี้แล้วตอนอยู่บ้านไม่เคยสวดมนเลยตอนมาอยู่ที่นี่อยากสวดมนนะ อ, อยากจะอยู่ต่อทำยังไงก็เลยบอกบวชซิโยมเอาไหมแกแล้วกลับบ้านดีกว่า อันนี้เป็นความประทับใจในคือจิตอาสาที่ว่าสางวัตถุสีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติเยนะอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์ที่ไหนก็ตามมหาวิเลยไหนก็ตามเนี่ยพอน้ำท่วมแล้วไปตามน้ำหมดเลยแต่มีที่นี่เนี่ยยืนหยัดอยู่ได้และก็แสดงถึงธรรมะในปรษศนาจิตอาสาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยได้มิตรเยอะนะ ททัสมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทัธังมิตตานิคันธิผู้ให้ย่อมปลูกใจมิตรไปได้รอบๆนี่เป็นมิตรมหาจรราหมดเลยเนี่ยเพราะเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าซึ้งน้ำใจกันเนี่ยเห็นใจกันยอมยากนี่แหละทีนี้มาถึงจิตอาสารนาชาติล่าสุดเห็นท่านท่านเห็นภาพก็คงจะนึกออกนี่เนี่ยกรณีเด็ก ทีมฟุตบอล12คนกับโค้ชอีกหนึ่งคนฝรัง่งสังเกตฝ ร, รัง่งเขาจะไม่เรียกเธอทมเกตบอย์เขาไม่ชอบเลข13ข่าวนี้ถ้าท่านจะไปหาต้องเป็น12 b o y บอย d ์ o อนโคชคือเด็ก12คนและโค้ชหนึ่งคนติดอยู่ในถ้าหลวงตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องถือว่า สแสดงจิตอาสาที่งดงามของสังคมไทยให้ทั่วโลกมาถ่ายทอดรู้หมดเลยท่านมันเป็นจิตอาสาในสังคมไทยนะแล้วทำให้ต่างชาติอยู่ไม่ได้ต้องอาสามาช่วยกันเนะี่ยแล้วสื่อเนี่ยรายงานมากที่สุดนะเรียกว่า cover เนี่ยนะชนิดทุกสำนักจนมีคนสังเกตว่า การถ่ายทอดที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอพอลโลลงดวงจันทร์ที่ทุกคนมันจับตามองจับตามองตอนอพอลโลลงดวงจันทร์ที่นี่ที่ถ้ำหลวงประเทศไทยมีทั้งเด็กที่ติดถ้ำมีนักวิทยาศาสตร์นักประดา น, า น, าน้ำไทยกับใครทั่วโลกแถมยังมีพระมาปลุกเสกอีก อมันจะต่างจากลงดวงจันทร์ตรงนี้เลยคือเขาบอกมีทุกรถนะมารวมกันและสิ่งที่เขาให้ข้อสังเกตเนี่ยท่านลองดูคำว่าจิตอาสาของคนนี้นจนจนถึงวันนี้เนี่ยท่านจำได้หว่าใครคือฮีโร่สองคนที่ดำน้ำไปพบเด็กเป็นกลุ่มแรก เ, เป็นคนแรกไม่มีจำชื่อได้เลย อ่านชื่อทั้งบนเนี่ยจอห์นโวลังเทนกับริกสแต่ตัสแตนต์เนี่ ย, เ, ยเราก็อาจจะเพิ่งเห็นชื่อเป็นครั้งแรกนี่คือการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะเขาไม่ได้คิดเป็นฮีโร่เขาอาสานี่คือลักษณะของจิตอาสาระดับโลกนะที่มาแสดงให้เราเห็นในประเทศไทย อาตมาจะย้อนให้ฟังนิดนึ่งวันที่คนสองคนเขาดำน้ำเนี่ยไปพบเนี่ยเด็กอยู่ในถ้ำมาเก้าวันเก้าวันแล้วอาตมาจำได้ตอนนั้นไปอยู่ต่างประเทศไปกำลังไปมอบไปฉลองปริญญาสาขามวาิราที่ใต้หวันก็ตามข่าวทุกวันเหมือนคนใต้หวันว่าจะพบเด็กหรื อ, อยังพอกลางาคืนนะ กลางคืนข่าวทีวีเราออกว่าพบเด็กแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครพบตอนเช้านั้นสือพิมพ์ทั้งออนไลน์รายงานว่าพบแต่ก็ไม่รู้ว่าใครพบจนกระทั่งบ b c b ซ c บซออกข่าวแล้วก็เป็นบ b c ซออนไลน์ที่ลอนดอนเอ่ยชื่อคนสองคนนี้ว่าเป็นคนพบ หนังสือพิมพ์ไทยสื่อไทยจึงอ้าง B B C ถ้าดันไปเปิดข่าวนั้นเน่ยเพราะาต่มาเนี่ยเช็คไป B B C ก่อนเลยแล้วก็ไปเจอจึงมาเห็นว่าสื่ อ, สอของไทยเนี่ยอ้าง B B C ว่าคนอังกฤษสองคนเป็นคนพบทีนี้คำถามทำไมถึงไม่รู้ว่าใครพบคำตอบนะ B B C ก็ไม่ได้ชื่อโดยตรงจากคนสองคนนี้ เขาไปถามสมาคมดักนำน้ำของยุโรปที่ส่งทีมมาช่วยหมูป่าต้นสังกัดบอกว่าส่งมาสองคนดำน้ำเข้าไปสองคนคนหนึ่งอยู่นอกถ้าและให้ชื่อทั้งหมดเป็นมารยาทของผู้ทำงานอาสาสมาัครจากต้นสังกัดเขาไม่เปิดเผยชื่อให้ซื่อกัน BBC ไปล้วงออกมาเอง และท่านสังเกตว่าตราเท่าที่เขาอยู่ในประเทศไทยคุณจรกับคุณริกไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยอาจจะมาดูว่าเขาจะให้สัมภาษณ์ไหมพบอตอนที่อยู่คนไทยเขาไม่ให้พูดเขาไม่พูดเลยนะจนกระทั่งไปสนามบินมีผู้ใหญ่ไปส่งที่สนามบินซื้อแฮงกันไปส่งคนสองคนแต่มาก็ดูสายท่านสดเขาพูดประโยคเดียวนะโชคดีขึ้นเครื่องบินเลย อันนี้มันคือการพูดถึงจิตอาสานานาชาติว่าสปิริตของบริเชียเขาทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นความสมัครใจนี่คือข้อยืนยันนะที่ทำไมเดี๋ยวนี้เราก็แต่ข้อสัมภาษณ์ที่มันค่อยๆออกมานี่มาทีหลังนะเมื่อเขากลับไปประเทศแล้วสื่อจึงไปเจาะแต่ละคนมาสิ่งที่อาตมาประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ A.B.C. Austrian Broadcasting Company เนี่ยเขาทำด็อกิวเมนตอรีรายการหนึ่งชั่วโมงสัมภาษณ์นักดำน้ำทั่วโลกที่ยอมให้สัมภาษณ์ะนะออกรายการนะแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้เป็นทหารจากเป็นทหารจากกองทัพอากาศอเมริกันเนี่ยนะชื่อเจสิก้า มากับทหารอเมริกันอเมริกันเขาก็บอกว่าเขาไม่เชี่ยวชาญในเรื่องการดำน้ำในถ้ำอังกฤษมี Expertise มากกว่ามีความเชี่ยวชาญมากกว่าเขาก็ดำไปก่อนแล้วเขาก็ไปเจอสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะให้สัมภาษณ์ ABC แล้วพูดชัดเจนท่านไปเปิดดูก็ได้ใน เ, เขาบอกว่าอย่างนี้เาบอกว่าสิ่งที่เธอได้เห็นคือคนนับหมื่น ที่จริงนะคาว่ามื่นนี่คือมาจากผู้ว่าเชียงรายสมัยนั้นเขาบอกว่าคนมาเป็นมื่นมาจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยคนละไม้คนละมือมาช่วยกันบางคนเอาอาหารมาแจกเ อ, เอาของมาแจกไม่มีอะไรที่แม้กระทั่งตัดผมเนี่ยเขาแสดงภาพตัดผมด้วยวอร์เนเทียทางนั้นจิตอาสาทางนั้นไม่มีมาด้วยความเต็มใจ เป็นความงดงามของประเทศนี้ที่เห็นคนทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมกันจิตอาสามาช่วยกันและเขาใช้คำว่าประเทศนี้มี beautiful culture เป็นวัฒนธรรมที่งดงามที่เขาะูับใจมากว่าทำไมทุกคนจึงมามาอาสากันอย่างนี้และนี่แหละที่จะมาว่า มันเป็นจิตอาสาของไทยที่แสดงความเป็นน้ำใจของไทยให้นานาชาติเห็นและเป็นทุนทางสังคมเป็นเซฟตี้เน็ตเป็นการช่วยดูแลกันในยามยากในการพัฒนาและพระสงฆ์ท่านได้นำในการพัฒนาสังคมและสถาบันศาสนาเนี่ยได้รอลอหลอมจิตใจของคนทำให้เกิดสิ่งที่งดงาม ทำให้เกิดความมั่นคงของชาติซึ่งมันมีรากฐานมาจากความมั่นคงของมนุษย์ที่อาตมาได้พูดไว้ตอนต้นก็คือในเรื่องของ Security นั้นจะต้องมาจากฐานสอฐานหนึ่งมาจากความมั่นคงของมนุษย์ และนำไปสู่ความมั่นคงของชาติซึ่งความมั่นคงของมนุษย์นั้นเท่ากับอยู่อย่างปราศจากเวรภัย Freedom From Fear ทำให้พุษธาสนานั้นล่อลลอมจิตใจของคนไทยให้ไม่เบียดเบียนกันให้อภัยกันประสานประโยชน์กันและการประสานประโยชน์นั่นแหละเกิดจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่เป็นทุนทางสังคม ทำให้อยู่กันโดยเอาชนะความยากจนได้ดังที่รัชกาลที่๙ได้บอกว่าพระองค์ทรงทาโครงการตามแนวพระบรบิตเพื่อเอาชนะความหิวโหยของประชาชนและการเอาชนะความหิวโหยนั่นแหละทำให้พระองค์เป็นศูนย์รวมใจและทำให้เกิดเอกภาพเกิดสามคัคคีทำให้อยู่กันอย่างปราศจากเวรไภัยเป็นความ f r e e d o m from ฟีอยู่อย่างปราศจากเวรภยัยและเป็น freedom from one อยู่อย่างปราศจากความยากจนทำให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นฐานแห่งความมั่นคงของชาติสถาบันพระศาสนาทำให้เกิดความสามคัคคีทำให้เกิด เ, เรียกว่าทุนทางสังคมเพราะฉะนั้นก็นาไปสู่ ในความมั่นคงของมนุษย์และนําไปสู่ความมั่นคงของชาติที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือสถาบันศาสนากับความมั่นคงของชาตินั่นเองโดยได้นําเอาแนวคิดต่างๆในพุทธศาสนาและนอกกรอบความคิดดังในต่างประเทศบ้างมามอบแด่ท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกสศลที่แท้ทํางานเพื่อสังคมเพื่อจิตอาสาเพื่อประเทศชาติพระาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ขอจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยเอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานสมบูรณ์ในลาบยศสุขสรรเสริญทุกธิภาราตรีการเจริญด้วยอายุวรนนะสุขาาภารัปาฏิพานธรรมาสา ร, รสมบัติธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบเดธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโนโรถมุ่งมากปรารถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทิน